บทที่สี่สิบเอดก็ฉะไหนเล่าคำว่านิทราสวัสดจอมพลานของฉันจะไม่ผ่านออกจากรกิมฝี ป, ปากของผู้หญิงอีกคนหนึ่งแววกระซิบเข้าไปในโซดปราสาสของราพินไพรวันเสมือนหนึ่งจะเป็นกระแสะคลื่นอากาศที่ถ่ายทอดไปในเมื่อน้ำบัดนี้เวลาเดียวกันนี้เจ้าของประโยคอันแท้จริงกำลังนอนตะแคงกอดหมอนใบที่เขาเคยหนุนนอนอยู่บนเตียงบ้านพักหนองน้าแห้งด้วยดวงตาที่คลออยากน้า และกระสิบถ้อยคำนี้ฝากลงกับหมอนบนเตียงนอนของเขานั่นเองบนเตียงในห้องของเรือนที่ปลูกคล่อมต้นไม้แบบบ้านทาจาหนังนี้ไม่นานมานี้นี่เองหล่อนและเขานอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันภายในโปง่งแบงเกตผื้นเดียวกันตาต่อตามองประสานกันสนิทภายในแสงเรืองของดวงจันทร์ที่สาดลอดหน้าต่างเข้ามานั่นเป็นคืนสุดท้ายแล้ว คืนซึ่งเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่คิดฝันว่าจะต้องพลัดพรากจากกาันอาจชั่วนี้หลันจารินวราฤทธิ์จูบที่หมอนใบนั้นแล้วกอดไว้แน่นพยายามจะจ้องมองมันเพ่งให้เกิดเป็นภาพของเขาขึ้นรอนหลบเข้ามานอนทซงอยู่ในห้องของระพินตั้งแต่หัวค่ําแล้วภายหลังอาหารค่ํำปล่อยให้เชษฐาอนุชาชัยยันและนายอัมพลนั่งปรึกษาหารือตลอดจนตราเตรียมข้าวของสําหรับการเดินทางอย่างเร่งด่วนอยู่ที่โต๊ะอาหารและชานบ้าน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 ดารินกระซิบแผวที่สุดบนจะอื้นฝากเขาไว้ด้วยนะคริสตินา่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะสงสารเท่ากับคนคนนี้อีกแล้วปรานีเขาเมตตาเขาและรักเขาเถิดถ้าจะรักเขาได้ดูแลเขาแทนตัวฉันด้วยฉันรู้ว่าเขากำลังบอบช้าเจ็บมากฉันอาจไม่ได้พบเห็นเขาอีกแล้วแต่ก็ขอตามไปจนกว่าจะถึงหลุมฝังศพของเขา หล่อนไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเหตุใดจึงภาวนาขอฝ่าไว้ให้แก่ผู้หญิงอเมริกันผมทองที่ชื่อคริสติน่าในเมื่อก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ร่วมทางไปด้วยซ้าอย่างเป็นแพทย์ที่ชื่ออิสซาเบลเบื้องนอกพักพวกจะปรึกษาหารือกันเช่นไรหล่อนไม่สนใจได้ยินแต่เสียงพูดคุยกันงิงเงำฟังไม่ได้สับสัมภาระข้าวของใดๆหล่อนไม่มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมทั้งสิ้น ป่อยพาระทั้งหมดไว้ให้แก่เชิดาอนุชาพี่ชายทั้งสองคนและชายยันกับนายอัมพลหล่อนมาอย่างคนไม่มีหัวใจจําได้แต่เพียงว่าออกจากกรุงเทพเมื่อสายจัดแล้วพี่ชายทั้งสองและเพื่อนตระเตรียมของกันยังฉุกเฉินรีบด่วนถึงสถานีกักสัตว์ของนายอัมพลประมาณเกือบบ่ายสี่โมงเย็นมีการตระเตรียมอะไรกันที่นั่นอีกชั่วโมงเศษตัวหล่อนเองนั่งซึมอยู่ตลอดเวลาอยากจะไปกราบเยี่ยมเยนคุณแม่ของระพินใจจะค่แะแต่เมื่อรู้จากนายอัมพลล่วงหน้าแล้วว่า การจากไปของระพินครั้งนี้มารดาผู้ชราของเขาหาได้ระแคะระคายเลยไม่ว่าลูกชายคนเดียวมุ่งหน้าไปไหนหล่อนไม่กล้าที่จะไปเยี่ยมสภาพสตรีสูงอายุผู้นั้นได้เกรงจะหักห้ามใจไว้ไม่ได้และจะสอพิรุษของหลางร้ายให้สตรีชราผู้น่าสงสารเกิดสงสัยขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการบอกข่าวร้ายฆ่ามารดาของระพินโดยตรงนั่นเองเชษฐาอนุชาชัยยันใจร้อนไม่น้อยไปกว่าหล่อนเช่นกันไม่ฟังคําทัดทานจากนายอนนท์ จะให้พักอยูที่สถานีกักสัตว์ในเขตตำบลสักคืนหนึ่งก่อนแต่ให้มุ่งหน้ามานอนพักยังบ้านน้องน้ำแห้งของระพินเลยทีเดียวบกบันตะลุยกันจนเกือบจะสิ้นแสงตะวันแล้วทุกอย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาทั้งสิ้นโดยบอกให้มาจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอีกครั้งที่หนองน้ำแห้งและถ้าทุกอย่างจัดหาได้พร้อมพรุ่งนี้คือกำหนดเดินทางแน่นอนแนมพล นายอัพลจะอยู่อย่างไรติดก็ต้องเพนติดตามคณะมาด้วยและคืนนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยเพื่อเป็นเจ้าภาพอำนวยความสะดวกต่างๆจนกว่าคณะติดตามจะเริ่มออกเดินทางจากไปซึ่งหน้าที่ของเขามีอยู่เพียงแค่นั้นภายหลังจากมติในที่ประชุมไม่อนุญาตให้เขาต้องไปเสี่ยงชีวิตด้วยอย่างไร้ประโยชน์และพร้อยเป็นภาระให้กับคนอื่นๆซึ่งล้วนและแต่โดยผ่านผจญภัยกลางป่ามาหาการมาแล้วทั้งสิน้นทุกคนที่ยังหาเรือกันเคร่งเครียดอยู่เบื้องนอกคงนึกว่าน้องสาวคนสุดท้องของคณะหลับไปแล้วแต่เปล่า หอนจะหลับอย่างไรได้ลงยิ่งเห็นห้องที่เปรียบเหมือนเรือนหอกลางคลก็ยิ่งปวดร้าวระบมใจนะ่ะร้องไห้เสียจนแทบจะไม่มีน้ําตาจะหลั่งอีกแล้วทุกอย่างในห้องนอนของระพินไม่มีอะไรเรื่องที่ผิดแพกไปจากเมื่อคืนที่หล่อนมานอนพักอยู่ในคืนนั้นเลยเหมือนจะทิ้งไว้ให้ดูเป็นอนุสร์ต่างหน้าประหนึ่งว่าเจ้าของจะไม่หัวนกลับคืนมาอีกแล้วระยะเวลาที่นอนเศร้าซมอยู่คนเดียวนี้หล่อนหวนคิดไปถึงความเก่าๆซึ่งไม่มีตอนใดเลยที่จะลืมเรือน คิดไปถึงภาพตอนไหนเหตุการณ์นั้นๆก็ปรากฏชัดในมโนภาพชายร่างสันทัดในชุดเสื้อกางเกงสีกะกีหรือน้ำตาลมอซอกเก่าๆหมวกปีกใหญ่แบบเสือพาร์ลคาบหนังเสือมือคอนไรเฟิลนท่าทางเคร่งครึมสู่ภาพแต่ไม่อ่อนน้อมตรงข้ามเต็มไปด้วยความทรนงไว้ตัวเห็นแต่แร ก, กเกลียดจับใจร่วมทุกข์กันไปก็แสนจะรักจับจิตสีหน้าแข็งกระด้าง ยิ้มออกเป็นนิจสินลักษณะภายนอกโง่งั่งสิ้นดีแต่แฝงเอาไว้ด้วยความฉลาดคมกริบไว้ลึกซึ้งภายในกล้าหาญเสียสละซื่อตรงและทํารงไว้ซึ่งสัตว์จะหาที่ไหนได้อีกแล้วสำหรับสุภาพบุรุษภายเยี่ยงนี้เคยพูดสั่งความไว้เลนๆเมื่อก่อนจะจา ก, กันในครั้งนั้นว่าปืนกระบอกอื่นจะละเลยเสียก็ไม่ว่าอะไรแต่จุด 300V Max กระบอกนี้ อย่าให้เป็นสนิมเลยนะถ้าหวนกลับมาตรวจดูพบว่ามันเป็นสนิมเมื่อไรมันจะเป็นลางร้ายแห่งความรักที่ฉันมีต่อนายพรานของฉันคิดถึงตอนนี้ดารินผลุกขึ้นนั่งทันทีมองไปยังตู้เสื้อผ้าของเขาที่ใช้เก็บปืนเมื่อตอนมานอนพักอยู่กับเขาไม่นานมานี้นะหล่อนยังหยิบไรเฟิลของหล่อนกระบอกนั้นขึ้นมาตรวจดูต่อหน้าเขาไม่ปรากฏว่ามันถูกเช็ดถูก็ปรากฏว่ามันถูกเช็ดน้ํามันสะอาดเป็นเงาๆไม่มีรอยสนิมเลยแม้แต่นิดเดียว ก็แล้วเดี๋ยวนี้ล่มันเกิดสนิมขึ้นหรือเปล่าหม่อมราชวงศ์สาพนมมือขึ้นเสียงสัตว์อธิษฐานประพินถ้าคุณยังรักคิดยังคิดถึงฉันเหมือนเช่นที่ฉันยังรักคุณอยู่ในขณะนี้ก็ขออย่าให้ปืนกระบอกนั้นของฉันเกิดสนิมขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวภาวนาสิ้นกระแสความลอนเดินไปเปิดประตูตู้กว้างออกได้มืออันสั่นเทาและมองลาไปตามลําดับของรางปืนที่เคยเห็นตั้งปืนไว้ดับเบิลไรเฟิล จ6 0หกนโตรของชายยันยังอยู่ถัดมาจ4 6 0ี่หกเวแม็กของอด็อกเตอร์ฮอฟมันอดีตสามีของมาเรียรซึ่งเชิดฐาใช้ประจํามือภายหลังจนกระทั่งการเดินทางสําเร็จผลก็ยังอยู่4ี่แซดแม็กของมาเรียรหายไปนั่นแสดงว่าเขาน่าจะเอาติดตัวไปในการเดินทางครั้งนี้ด้วยพร้อมกับจุดสวินแม็ก แล้วหลอนก็มองเห็นจุดสามศูนย์แมสของหลอนเป็นกระบอกขวามือสุดค่อยๆคยว้าปืนขึ้นมาถือกระชับไว้ในมือเดินมาไขายใส้ตะเกียงเจ้าพยุให้สว่างขึ้นและตรวจ ด, ดูทันทีไม่มีร่องรอยของสนิมขึ้นจับส่วนใดแม้แต่นิดเดียวทั้งกระบอกมันปราบเขียวราวกับปีกมแมลงทับแม้ว่ากระโจมมือและผ่านท้ายไม้ไม้จะมีรอยบุบถลอกไปบ้างเพราะการที่หลอนใช้บุก ป, ป, ป่าฝ่าอันตรายโชคโชนในยุคนั้น ใบหน้าอันเศร้าซึมของดารินปรากฏรอยยิ้มออกมาได้กอดปืนไว้แนบอกสูดลมหายใจลึกที่ดูเหมือนจะเป็นรอยยิ้มอย่างเป็นสุขครั้งแรกสาหรับวันนี้ประพินคุณยังรักและซื่อตรงต่อฉันอยู่ถึงอยู่ก็รักถึงตายไปแล้วก็รักฉันเชื่อคุณแล้วเชื่ อ, อยังไม่มีอะไรเคลือบแคลงอีกและไม่เสียดายชีวิตในการไปตามครั้งนี้เลยต้องให้ตามไปเอากระดูกคุณกลับคืนมาก็เถอะ เปิดลูกเลื่อนบริหารกลไกมันคล่องตัวพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เหมือนเดิมก็ไอกระบอกนี้แหละที่หล่อนช่วยชีวิตตัวเองและใครต่อใครในคณะมันนับไม่ถ้วนแล้วผู้ตูมขึ้นเมื่อหลายไม่เคยปรากฏว่าพลาดเป้าไม่ปรากฏไม่เคยปรากฏว่าพลาดเป้าหมายเลยชหมังที่สุดคุณคงคิดใช่ไหมราชกุลสาวพูดคนเดียวต่อไปถือปืนเดินตรงมานั่งที่เตียงตามเดิม ว่าอย่างเก่งฉันก็คงจะมาตามดูอนุศร์แค่บ้านพักของคุณที่หนองน้ำแห้งนี้เท่านั้นคงไม่คิดว่าจะบ้าเสี่ยงตามหรอกและคงไม่คิดด้วยว่าบุคคลที่เคยเป็นหนี้ชีวิตคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่พี่กลางหรือชายยันจะตามมาด้วยคุณห้ามฉันได้ข้อความในจดหมายลาห้ามไม่ให้ฉันติดตามคุณคุณห้ามฉันได้หรือระพินและจะมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าความตายขวางอยู่เบื้องหน้า เบื้องหน้าฉันอยู่โดยปราศจากคุณไม่ได้จำไว้จำอะไรเนาะมาบังฉันไว้ที่ปล่อยประคุณไว้ที่นี่นานจนมีอะไรมาพลากไปเสียถ้าคนเราสามารถมองเห็นอนาคตข้างหน้าฉันจะไม่ประทิ้งคุณไปเลยเป็นความผิดของฉันเองที่ปล่อยคุณไว้ที่นี่ตามลำพังเพราะฉลาใจว่าคุณคงจะไม่จากไปไหนอีกแล้วนับตั้งแต่เรารอดตายกลับมาจากเทือกพระศิวะด้วยกัน ขอให้คุณรู้ไว้เถิดว่าเหตุการณ์คับขันในครั้งนี้มันได้พิสูจน์แล้วถึงน้ำใจของทุกคนที่มีต่อคุณไม่ว่าพี่ใหญ่พี่กลางชัยยันและแม้กระทั่งเมผู้ซึ่งเพิ่งจะคลอดลูกได้เพียงวันเดียวเขาก็ยังยอมเสียสละสามีเขายินยอมให้ติดตามมาถึงตัวเมก็เหมือนกันถ้าไม่ติดพเพิ่งคลอดเขาก็คงจะตามมาเหมือนกันหล่อนเพอพูดอยู่คนเดียวหัวเราะทั้งน้าตา แล้วเอามือทั้งสองปิดหน้าซบลงกับที่นอนพระคุณเจ้าโกธัญญะโมนีช่วยลูกด้วยช่วยลูกตามพบเขาแม้จะพบกระดูกก็ยังดีลูกเปรียบเสมือนพัญยาของเขาแล้วแม้จะไม่ใช่ทางพฤติไนหรือนิติไนก็โดยทางจิตสํานึกซึ่งมันลึกซึ่งยิ่งกว่าพฤติไนหรือนิติไยหลายเท่านะักชายคนนั้นแม้จะไร้ความหมายสาหรับใครทั้งโลกแต่ก็เป็นชีวิตจิตใจของลูก ถ้าเช่นนั้นก็จงตามเขาเถิดพ่อจะช่วยแววเสียงลึกลับพานเข้ามาทางโสดหรือทางกระแสจิตไม่ทราบได้แต่ชัดเจนที่สุดดารินเงยหน้าขึ้นทันทีหล่อนมองไม่เห็นอะไรภายในห้องนั้นคนของหล่อนลุกชันขึ้นด้วยความปราบปลื้มปิติพนมมือขึ้นจดอกหลับตาลงสวดมนต์ทรงพรวอนฟ้าขอนิทราแนบเธอณิลัน ทอหัวใจ่ายสัมพันธ์ฝากกันสันหรือไทยวันใจคนหนึง่งติดตรึงมั่นในหัวใจคล่ำครวนเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาลำนำเพลงตอนหนึ่งที่เคยแว่วเข้าสู่ดวงจิตเมื่อคืนนี้แว่วมาอีกจากเสียงที่แทรกมากับสายลมลืมตาสว่างพโพนขึ้นปรากฏว่าแสงตะเกียงเจ้าพายุที่เปิดไว ดับมืดลงเสียแล้วมีแต่แสงจันทร์รําไพ่ส่องรอดหน้าต่างเข้ามาและเงาของอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งพิงอยู่ที่หน้าต่างประสาทหลอนตาฝาดไปแน่ๆเพราะภาพนั้นเป็นภาพของแง่ทรายยิ้มกับหล่อนพอขยี่ตาเพ่งอีกครั้งภาพก็เลือนหายไปขณะนั้นเองหลอนก็ตื่นจากพวังเมื่อได้ยินเสียงกูโวกเวกเสียงพูดจาฟังไม่ได้สับ ด, ดังมาจากบริเวณลานดินเบื้องล่าง ส่วนบนเรือนก็มีการไหวตัวกันพื่พับจักพักพวกที่นั่งคุยกันอยู่ต่อมาก็ดูเหมือนจะเป็นเสียงนายอัมพลตะโกนร้องถามพูดจะอะไรกับพวกข้างล่างดารินชะโงนเนี่ยหูหนอกจากเสียงของนายอัมพลที่ตะโกนพูดกับพวกหนองน้ำแห้งแล้วก็ได้ยินเสียงชายยันเชื่อและอนุชาแท้ไปหมดจะจับกระแสะสับไม่ได้เป็นเสียงแสดงความประหลาดใจระคนตื่นเต้นอย่างโกลาหลสวรรค์ทรงโปรดเป็นไปได้หรือนั่นนานอินมา นานอินที่เราพูดถึงใจอยู่เมื่อบ่ายนี่เองคราวนี้เป็นเสียงตะโกนล่นอย่างดีใจขีดสุดของนายอัมพลอาจริงหรือคุณอัมพลนั่นเป็นเสียงพี่ชายกลางของหล่อนหรือหมอมราชวงอนุชาวลาลิศเรือนชาด้านนอก ห, อห้องหล่อนสะเทือนด้วยฝีเท้าที่พวกนั้นวิ่งกันและประตูห้องของหล่อนก็ถูกเคาะโดยแรงพร้อมกับเสียงระล่ำระลักของชายยัน น, ยน้อยน้อยตื่นเทิดนานอินมาแล้วไม่รู้ไปยังไงมายังไงหล่อนได้สติโรพ ร, รวดไปที่หน้าต่างก่อน เห็นไฟฉายกราดสว่างวูบว่าพร้อมกับคนหมู่ใหญ่ประมาณเจดแปดคนเดินตรงกันมาที่ลานดินหน้าบันไดาทางขึ้นก็คือพวกลูกบ้านหนองน้ำแห้งนั่นเองแวดล้อมนําใครคนหนึ่งยังมองไม่เห็นถนัดเดินตรงเข้ามายืนมาย่างเรือนยกพื้นสูงดารินทันปเปิดประตูห้องทันทีโผล่ออกไปทั้งชุดนอนมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ล่างของชายชราในชุดชาวป่าคนหนึ่งเดินไต่บันไดเชือขึ้นมาปรากฏกายอยู่บนชานบ้านพร้อมกับพวกลูกบ้านที่พากันเดินขึ้นมาส่งพูดกันจอกแจ๊กฟังไม่ได้สับ หลอนจ้องต่ลึงในขณะที่พี่ชายทั้งสองชายยันและนายอมพลรูออกไปลุมทักทายขล่มกันไปหมดนานอินใช่แล้วไม่ผิดไปหรอกในชุดกางเกงสํามส่วนเครื่องแค่งสีดำเสื้อกลีเหงสีน้ําเงินพระคมา้าผืนหนึงเทียนเอวอีกผืนหนึ่งพกหัวไหล่ซ้ายสะพายย่ามมือขวาถือไรเฟิลขนาดจุดสาห้าที่นายอัมพลมอบไว้ให้เป็นปืนคู่มือก่อนจากกันครั้งสุดท้ายภายหลังจะกลับมาจากเทือกพระศิวะแล้วบุรุษสูงอายุร่างเล็กผู้นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เป็นอันขะ นอกจากหนานอินพรานเผาราวส่งอดีตเพื่อนตายของนายชดประชากรคือคุณชายอนุชาวราฤทธิ์กู้เกือบจะเอาชีวิตไปยังไปทิ้งไว้ยังมรกนครกันในครั้งนั้นนั่นเองถ้าหากระพินไพยวันไม่นําคณะติดตามไปเอาตัวกลับคืนมาได้สําเร็จลักษณะของพรานใหญ่ผู้ยิ่งยงอันเป็นพรานพื้นเมืองซึ่งทั้งคณะพร่ำเรียกแกมาตลอดโดยไม่รู้จะติดตามตัวได้ที่ไหนอย่างเมื่อตัดสินใจที่จะออกเดินทางติดตามระพิน จนกระทั่งทุกคนหมดหวังแล้วบัดนี้แกปรากฏตัวขึ้นราวกับปฏิหาริย์ไม่ทราบว่ามาจากไหนเมืออ่อไหรเมื่อขึ้นมาถึงลานนอกชานบนบ้านพรานชั้นครูก็ซุดตัวลงนั่งกับพื้นท่ามกลางการลุมล้อมถามทักกันแซดของทุกคนปลดย่ามวางไรเฟิลลงและยกมือไหว้ทุกคนคนสุดท้ายที่แกหันมาเห็นและยกมือไหว้ก็คือดารินมาราริสที่วิ่งมาหยุดยืนเบิกตาโครงอยู่กลางนอกชาน คเคยเป็นอย่างไรเมื่อเห็นกันครั้งสุดท้ายก่อนจะก็คงเป็นอย่างนั้นไม่แก่ลงหรือหนุ่มขึ้นจำเลินจำเลิญเจ้านายทุกคนนานอินมาแล้วแกเอ่ยขึ้นเรียบราบออกเสียงเน่อเนอตามปกติวิสัยไปยังไงมายัางไงกันนี่ลุงพวกเรากําลังต้องการตัวลุงอย่างที่สุดแต่ไม่รู้จะไปตามที่ไหนชดประชากรผู้สนิทสนมกับแกที่สุดโดดลงคัดตมารตรงหน้าร้องเอ็ดขึ้นขณะที่เอื้อมมือทั้งสองไปเขยา่าไหลแกด้วยความรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูก นานอินเคี้ยวหมากยับหยอยู่ในปากบอกด้วยเสียงอันดังอย่างไม่มีพิธีรีตองว่าตามแหลดสองนออยู่แถบตนินตนินตะยีโพ้นโน่นเจ็ดแปดวันมาแล้วอีกคืนหนึ่งฝันเห็นไอ้แง่ทรายชัดเจนเลยมันบอกให้รีบเดินทางมาที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเจ้านายโดยเฉพาะนายชดนี่มีเรื่องอะไรที่จะใช้นานอินหันแรกก็นึกว่าฝันทรงเดชไปเองเอ๊ะพอคืนที่สองมันมาให้เห็นอีกกําลังขัดห้างนอนอยู่มาบอกความเหมือนเดิม เห็นท่ามันพิกนก็เลยต้องวกกลับมาที่น้องน้ําแห้งนี่ตั้งใจจะมาพบนายระพินไม่นึกว่าพวกเจ้านายทั้งหลายจะมาอยู่ที่นี่จะไปไหนกันนี่อยู่กันพร้อมหน้าเลยแล้วนี่นายระพินไปไหนว่าแหละแกก็มองไปยังทุกคนอย่างไม่รู้เรื่องอะไรนะก่อนที่คนใดจะเอ่ยอะไรออกมานั้นดารินก็ถลันไปนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าของพรานอาวุโสเขียงข้างพี่ชายกลางร้องออกมาว่าลุงอินพูดให้ชัดๆหน่อยสิที่ลุงบุกบันมาถึงที่นี่ในเวลากับจะดึกเดินแล้วนี่น่ะใครไปตามหรือไปบอกลุง ด้วยสีหน้าตายด้านแต่แววตาสอบพระกายยินดีที่ได้พบเห็นคณะเจ้านายเก่าอยู่กันเกือพร้อมหน้านานอินพูดว่ามันสาสาพิโกนน่ะนายหญิงสาว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างฝันเห็นแง่ทรายมาบอกให้มาที่นี่สองคืนติด ก, กันเลยทนอยู่ไม่ไหวก็เลยรีบดันด้นมาวันนี้ไม่ได้หยุดพักเลยเดินทั้งวันมาพบขํอาอมที่เชิงเขาตะโกงนน่นเห็นว่าใกล้เต็มทีแล้วเลยไม่อยากพักนอนบุกเดินรวดเดียวถึงใจมันร้อน เดียวเดียวดียวเดยวแงซายนะหรือมาบอกลุงแงซายรู้จักกระลาดกันแน่ดารินซักเร็วเปลือท่ามกลางทุกคนที่รุมรอมรอบกายนานอินอยู่ทั้งหมดล้วนมีคําถามที่จะกรุ่มรุมมายังพรานไพรอโวโุโสผู้พูนจะโผล่มาถึงทั้งสิน้นแต่อันเนื่องจากดารินยังกระชันชิดติดพันในการยิงคําถามที่ยิบอยู่ต่างจึงได้แต่จ้องและรอฟังอยู่ก่อนพรานเท้าเผาลาวโซงเอามือเก่าต้นขอกลากรา อีกมือเช็ดลิมฟีปากที่ทําขยุบขยิบอยู่แนมพลรู้เชิงรีบบอกให้พวกลูกบ้านหนองน้ําแห้งปรินเหล้าลูกปลามาให้จอกหนึ่งโดยเร็วนานอินคายชาญมายกจอกเหล้าขึ้นจิบแล้วเทเอื้อกเดียวหมดทําเสียงขากอยู่ในลําคอตามนิสัยเคยชินแล้วจึงว่ารูปร่างของมันที่มาให้นานยินเห็นเป็นแง่ทรายนะนายหญิงไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินมรกรนครที่ชื่อจักรลาดหรอกเพราะมันแต่งชุดกระเหรี่ยงสะพายปืนอย่างที่เคยเห็น ว่าฝันก็ไม่เชิงมันหลับหลับตื่นๆกลางดึกเห็นมันโผล่ออกมาจากซุ้มไม้แล้วก็บอกความสั้นๆว่าให้มาที่หมองน้ําแห้งโดยเร็วเถิดมีเรื่องนานอินก็ไม่ได้ถามมันว่าเรื่องอะไรเพราะตอนนั้นรู้สึกเหมือนถูกผีอั้มพอมันบอกแล้วมันก็เดินหายไปเมารู้ตัวอีกทีก็สว่างแล้วทีแรกคิดว่าคิดไปเองพอตกดึกสองพอตกคืนสองมันก็โผล่ออกมาให้เห็นเหมือนเดิมพูดอย่างเดิมอีกนานอินอยู่ไม่ไหวแล้วมันสังหรณ์ไปหมด ร้อนรุมกลุ่มใจเป็นกําลังก็เลยบ่ายหน้ามาที่นี่เลยเดินตัดป่าตัดเขามาเจ็ดวันแล้วไม่ได้แวะที่ไหนและหยุดพักก็แค่นอนเท่านั้นทุกคนเงียบกริบไปชั่วขณะมองตากันเองอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกไม่อาจบอกถูกดารินเมมริมฝีปากแน่นจ้องหน้าพี่ชายทั้งสองและชายยันนิ่งบายหน้าเซลซีของหล่อนบัดนี้เป็นริ้วไปด้วยสายเลือดแห่งความตื่นเต้นปิติเหลือที่จะกล่าวในขณะเดียวกันขนก็ลุกเกลียวหลุดปากออกมาด้วยเสียงคล้ายกระสิบ แงาซายใช่แล้วแน่นอนที่สุดก็จะต้องไปบอกข่าวร้ายนี่แกนานอินเหมือนเหมือนกับที่ไปบอกฉันนั่นแหละถึงได้ทําให้นานอินตรงแนวมาที่นี่รากับนัดกับเราไว้ทั้ ง, ท, งทั้งที่เราหมดหวังแล้วไม่รู้จะไปตามตัวแกได้ที่ไหนนานอินมาได้ยิมาได้ทันเวลาพอดีโดยเราไม่คาดฝันราวกับปฏิหารและมันก็เป็นปฏิหารจริงๆชา ย, ยันอมือลูบแขนแล้วหันมาทางเชิดขาคนลุกเลยเชิดขามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากหรื อ, อยังไงกลาง อนุชาเองก็นั่งซอยเปลือกตาทีๆงงงันไปหมดเอพี่ลึกแฮะน้อยพร์พูดถึงแง่าสายมาตั้งแต่คืนวานแล้วว่าจะมาบอกข่าวอะไรซึ่งเราเห็นเป็นเรื่องเลวไหลแต่แล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์มันเป็นจริงอย่างที่น้อยบอกทุกอย่างนี่นานอินมาบอกพวกเราอีกคนนึงแล้วว่าที่แกตรงมาที่นี่ก็เพราะแง่าสายเข้าฝันบอกอะไรก็ช่างถอะตอนนี้แง่าสายรู้จักราดเป็นอะไรไปแล้วหรือเปล่า เขกลายเป็นดวงวิญญาณไปแล้วกระมังจึงได้ไปเข้าฝันบอกความได้อย่างแม่นยำและตรงกับความจริงได้ถึงเพียงนี้จะว่าเรื่องบังเอิญก็เห็นชัดๆว่าสองรายซ้อนเลยอดีตนักเดินดงหัวเห็ดคลางออกมาแล้วเมื่อกี้นี้เองหยกๆก่อนหน้าที่นานอินจะมาถึงไฟเจ้าพายุในห้องนั้นดับดารินพูดเหมือนเสียงเครือสันชี้มือไปที่ห้องฉันสาบานว่าฉันเห็นแง่ายมานั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างห้อง ร้องเพลงอะไรช น, นิดหนึ่งแววมากระทบโสดประสาทฉันถนัดถนีที่สุดช น, นิดจําถ้อยคําได้ทีเดียวแต่พอฉันจ้องและเดินเข้าไปหาเขาก็าหายวับไปกับตาลักมุ่นวายกันไปใหญ่แล้วเชิดถาบาราเรพี่ใหญ่ของทุกคนพูดขึ้นด้วยเสียงต่ําๆสงบสติอารมณ์เสียบ้างเถอะไม่ว่าจะน้อยกลางหรืชายยันฉันดูว่าความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้จะสับสนไปหมดนะไหนจะห่วงระพินว่าจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนและไหนจะ เกิดคลางแคลงใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแง่สายหรือจั ก, กรลาดแห่งมรกรกรนคร น, นู่นฉันเชื่อแน่ว่าเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละรับพินกําลังทํากําลังนําคณะของอเมริกันชุดนั้นเดินป่าอาจกําลังยากแค้นกันดารและทุกยากแสนสาหัสแต่คนคนนั้นตายยากส่วนแงซสายก็คงเป็นสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชอยู่ยังมรกรกรนครนั่นแหละแต่ที่น้อยฝันเห็นก็ดีหรือนหนานอินฝันเห็นก็ดีมันเป็นซิกเซนซ์หรือประสาทรับรู้ส่วนที่6กของทั้งน้อยและหนานอินเอง บังเอิญมาตรงกันข้าวอย่าไปคิดในด้านอัปมงคลว่าประพินแง้ตายคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วกล่าวจบแช่ถาก็เดินเข้ามาโอบไลโอปไหล่เบาคู่ชีวิตของน้องชายไว้กระชับแน่นพร้อมกับยิ้มให้ลุงอินพวกเราทุกคนดีใจเหลือเกินที่เห็นลุงโผล่มาคืนนี้เรากําลังต้องการตัวลุงอยู่ทีเดียวจะไม่รู้จะไปตามได้ที่ไหนและไม่คาดฝันว่าจู่ๆลุงก็โพมาในยามที่เราต้องการตัวอย่างที่สุดเช่นขณะนี้ อย่าเพิ่งพูดอะไรก่อนเลยเดินทางบุกบันมาไกลคงหิวมากกินข้าวปลาอาหารเสียก่อนเถอะและเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันมากทีเดียวพวกเราเห็นหน้าลุงโผลมาก็ปลื้มใจดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วนานอินยกมือขึ้นโบกสีหน้าของแกมีแววกังขาอยู่เช่นนั้นนายใหญ่และทุกคนไม่ต้องห่วงนานอินกินอาหารมาแล้วเมื่อใกล้ค่ำก็กินเสร็จก็ออกเดินต่อมาจนถึงนี่แหละพบหน้าเจ้านายทุกคนก็ดีใจบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกแล้ว แล้ว ก, ก็มองผ่านใบหน้าของแต่ละคนที่แวดล้อมอยู่ถามห่างๆต่อมาว่านี่พวกเจ้านายอยู่กันเกือบจะครบหน้าทีเดียวขาดไปสองคนเท่านั้นคือนายแหม่มมาเรียแล้วก็พรานใหญ่รพินไม่มีใครบอกนานอินเลยรู้ว่าพรานใหญ่ไปอยู่เสี้ยที่ไหนนานอินอุตสาบุกมาไกลแสนไกลทั้งหมดอึง้งมองตากันเองอีกครั้งอนุชาผู้สนิทใกล้ชิดกับนานอินมากที่สุดทำมือเป็นสัญญาณยังไม่ให้ใครพูดอะไรขึ้นก่อนทั้งสิ้น โดยขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาที่จะเจรจากับเบาวร่วมตายในอดีตก่อนและโดยยังไม่พูดทดําใดอดีตในชดประชากรตบไหลของพรานพรายอวุโสคู่ชีพเก่าแก่ของเขาโดยแรงพร้อมกับยิ้มพรายการแขนทั้งสอ ง, องก้างออกนานอินยิ้มร่าอาแขนกว้างออกเช่นกันและทั้งสองก็กอดกันอย่างสนิทแน่นที่สุดในชดเสียงแกอุทานดังขึ้นพร้อมกับพัวรอระห้าไม่มีอะไรที่จะมาทําให้นานอินมีความสุขเหมือนได้พบเห็นและกอดนายไวอย้อย่างนี้อีก รอดตายมาได้ด้วยกันครั้งนั้นเพราะจากกันครั้งสุดท้ายก็ไม่คิดจะได้เห็นอีกแล้วเป็นบุญจริงๆนานอินภาวนาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ทุกวันว่าชาตินี้ก่อนตายก็ขอให้ได้พบนายอีกครั้งเถอะก็ได้พบจริงๆฉันไม่เคยลืมลุงและเหตุการณ์ที่เราร่วมเป็นร่วมตายกันมาตลอดทั้งชีวิตนี้เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ยากกันมานานแสนนานไม่ว่าจะแยกกันจากกันไปสารทิศไหนฉันก็ยังคิดถึงลุงอยู่เสมอ และเมื่อฉันคิดถึงลุงลุงก็มาแล้วจะโดยอะไรก็เข้าดนใจก็ตามทีเถอะแต่ฉันแน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากดวงจิตของเราทั้งสองที่ส่งถึงกันได้ลุงถามถึงแห ม, มมาเรียกับนายดพินเหรอเอาละฉันจะบอกให้แหมมมาเรียเมียของนายทหารชายยันท้นคลอดลูกเมื่อคืนวานนี้เองเป็นลูกผู้ชายตอนนี้ยังต้องนอนอยู่บนเตียงถ้าไม่ติดเรื่องลูกอ่อนเพ่งคลอดลุงก็จะเห็นแหม่มอยู่ในหมู่บ้านของพวกเราหนี้ด้วยอ้อได้ลูกชายแกคลางออกมา มองไปทางชายานอย่างยินดีด้วยดีจริงนายทหารนานอินดีใจด้วยส่วนนายระพินฉันจะบอกกับลุงยังไงดีล่ะอนุชาวราดิกรารต่อไปแล้วหัวเราะไม่เป็นเรื่องและหัวเราให้เป็นเรื่องสนุกสนานขบขันอยู่เช่นนั้นตอนที่ลุงมาถึงน้องน้ําแห้งเมตตี้พวกลูกบ้านไปรับกันกระเดี่ยวกล่าวพวกนั้นไม่ได้บอกอะไรกับลุงบ้างหรอกเหรอนานอินสั่นหัวไม่เห็นมันบอกอะไรเกี่ยวกับนายละพินบอกแต่ว่าตอนนี้พวกเจ้านายมาอยู่กั บ, ม า, กบมาอยู่กันที่นี่เต็มไปหมดถามหาไอ้คำไอจ้จันไอ้เกิดหรือไอ้เสยก็ไม่มีใครบอก อ, ำ อ, ำอ้าอึ้งอึ้งกันอยู่ยังก็มีสากยัดปากเอาไว้ช่วยกันลากกันจูงหนานอินให้มาที่นี่โดยเร็วเราโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาก็พบเจ้านายนี่แหละไหนลุงว่าที่ลุงตัดป่าเขามาตั้งเจ็ดวันแปดวันนี่น่ะก็ตั้งใจจะมาหานายลพินใช่ไหมชดประชากรในอดีตเริ่มตะล่อมเข้าหาจุดทุกคนเงียบเราให้เป็นหน้าที่ของคู่เบ่าวนายร่วมตายในการก่อนที่จะเจรจากันเองก่อนก็อยากจะมาเยี่ยมนายลพินถามทุกสุข แล้วพรุ่งนี้ก็จะชวนนายระพินไปเยี่ยมในห้างอําพลแกบุ้ยปากไปยังพอกอกรบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศที่เคยมีความผูกพันกันมานานเอาล่ะก่อนที่ฉันจะบอกอะไรเกี่ยวกับนายระพินขอให้ฉันถามอะไรลุงก่อนดีกว่าลุงบอกว่าลุงร่องลงมาจากตนินตยีฝั่งพมา่าโน่นใช่ไหมใช่แล้วนายพบพวกชาวป่าพวกไหนเผ่าไหนและได้ข่าวอะไรบ้างไหมข่าวอะไรก็ถามหน้าตื่นยังไม่รู้เรื่องแล้วต่อไปว่าไม่พบพวกไหนเลยนอกจากพวกมาลาบ มาลาบลีผีตองเหลืองหมูหนึ่งสักเจ็ดแปดคนเห็นจะได้นางคนหนึ่งกําลังจะออกลูกเจ็บท้องอยู่นานอินช่วยทำคลอดให้ลูกมันตายแต่แม่รอดแล้วไม่พบพวกไหนอีกเลยอนุชาจับแขนแกไว้แน่นสีหน้ายัางยิ้มแย้มอย่างปลอดโปร่งใจอยู่เช่นนั้นนับตั้งแต่เห็นหน้านานอินโผล่ขึ้นเรือนมาสมมุตินะลุงสมมุติว่าพวกเราจะออกบุกป่าฝาดงกันอีกไปกันอย่างสุดล่าฟ้าเขียวเลยแบบเดียวกับบุกเพลิดพระศิวะครั้งนั้นลุงจะไปกับพวกเราอีกไหม นายอินหัวล่อเอิร์กนายอย่าพูดเล่นพวกนายจะออกป่าอีกทําไมจะไปค้นหาขุมเพชรพระอุมาอีกเหรอไม่ได้พูดเล่นพูดจริงอดีตนักเดินป่าพจญภัยตัวฉกาจผู้เคยมีฉายาปลอมว่านายชดพูดเน้นช้าชัดเจนฮะถ้าจริงแล้วก็จะมาถามนานอินทําไมเราไปติดคุกเมืองมรกรนะคร อ, อีกสักครั้งก็ยังไหวถ้าหาไอ้แง่สายที่กลายเป็นจักรลาชแล้วจะ ก, กลายเป็นกษัตริย์ขี้โกงเหมือนสิงห์ราไป นานอินอุ้มมันมากับมือเมื่อตอนมันยังเล็กๆเป็นคนขุดหลุมฝังศพแม่ของมันเอามันไปฝากกับพระทุดงไว้หน่อยแน่มารู้เอายี่สิบกปีให้หลังว่าไอเด็กที่เคยอุ้มบ้างจูงบ้างที่แท้ก็เจ้าชายแห่งมรกรนครแม่พาหนีพวกขบวนสมซานออกจากเมืองพอกลับไปเป็นใหญ่เป็นโตมันจะเนรคุณนานอินเพราะร่วงแดนมันอีกก็ให้มันรู้ไปประโยคหลังๆแกพูดท้าความในอดีตที่ยังจําได้อย่างแม่นยําพร้อมทั้งหัวเราะยังมีความสุขไปพลาง ราจากความหมายจริงจังอะไรนะดีแล้วทางงั้นพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปด้วยกันอนุชาตบลงบันไดของหนานอินโดยแรงเป็นไหนล่ะในชดเทือกพระศิวะมรดกนครนร่าลึกอาจจะต้องไปจำถึงที่นั่นข้าระพินไพรวันไปที่นั่นคําพูดชนิดนั้นของอนุชาวราลิทธทำเอาพลานใหญ่พื้นเมืองผู้อายุอยู่ในวัยชราแล้วแต่ยังแกล่งไปทำตัวอ้าปากค้างตะลึงพึงเพ ร, เริดเอานิ้วแค่หูตัวเองเหมือนจะไม่เชื่อหูที่ได้ยิน เดียวเดยวเดยวนายแกร้องส่งจอกเล่าไปขอเพิ่มเติมอีกซัดอีกหลายอึกพูดให้นานอินฟังชัดๆหน่อยสินายหรือพวกของนายทั้งหมดกำลังจะเตรียมไปไหนกันนี่นานอินฟังให้ดีนะครั้งหนึ่งเราสองคนคือฉันกับลุงสูญหายไปในป่าพรานที่ชื่อรพินออกตามเราจนกระทั่งเอาเรากลับคืนรอดชีวิตมาได้แต่เดี๋ยวนี้เขาราพินไพรวันคนนั้น ศูนย์หายไปในป่าเหมือนเราในครั้งนั้นเหมือนกันและเรากําลังจะออกติดตามเขาเหมือนเช่นที่เขาเคยตามเราในครั้งนั้นลุงพร้อมไหมที่จะไปกับพวกฉันด้วยจอกเหล้าที่ถืออยู่ในมือของหนานอิงพลัดหลุดจากมือตกเปลืองลงกับพื้นนอกชานที่นั่งอยู่แกไม่ได้ตกใจเรื่องที่จะต้องออกติดตามเช่นที่อดีตในชดพูดแต่ตกใจที่อยู่ไม่อยู่ก็มาเผชิญหน้ากับสิ่งอันคาดฝันไม่ถึงมาก่อนนายรพินศูนย์หายไปในปา่า แกพึมพำทวนคำตะกุกตะกักฮะไปยังไงมายังไงกันนายมีเรื่องที่นายพานละพินจะหายไปในป่าแล้วมันเรื่องอะไรที่แกจะต้องออกป่าจนถึงกับพวกนายต้องออกตามด้วยนานอินฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่นายละพินไม่ได้อยู่ที่หนองน้ําแห้งนี่หรอกหรืออนุชาวราริศหันมาพยักหน้ากับทุกคนบอกว่าเอาละคราวนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องอธิบายทําความเข้าใจกับนานอินแล้วว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไร เชิถาพยักหน้าให้นายอัมพลชัยยันและดารินเข้ามานั่งประชุมกันอยู่ตรงหน้าพลานใหญ่เผ่าราวส่งซึ่งแกเบริร์ตาเป๋งคอยเงี่ยวหูฟังอยู่อย่างกระหายที่จะรู้เรื่องความเป็นไปนานอินผู้พูดด้วยเสียงเครียดขรึมจริงจังเป็นคนแรกก็คือนายอัมพลขณะนี้แนรพินไม่ได้อยู่ที่หนองน้ำแห้งนี่หรอกนานอินมาสายไปแล้วสาหรับเขาประมาณแดวันแต่ก็มาทันของคณะของเจ้านาย ที่กําลังต้องการตัวหนานอินพอดีพรานใหญ่กับคนของเขาสี่คนคือบุญคําจันทร์เกิดและเสยกับลูกหักอีกสิบคนเดินทางเข้าป่าไปก่อนแล้วไปอย่างเดาสมไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนและจําเป็นที่จะต้องไปอย่างเรี่ยงไม่ได้เราไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าเขาจะได้กลับคืนมาอีกเมื่อใดหรือไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ทุกคนช่วยกันบอกเล่าความจริงสลับกับการซักไซย่างสงสัยของหนานอินพรานผู้เจนพลายมาตลอดชีวิตก็เข้าใจได้โดยตลอด คราวนี้แกไม่หัวเราอเอิกอาอีกแล้วแต่ขมวดคิ้วเคร่งขรึมมองหน้าแต่ละคนที่แวดล้อมอยู่อย่างพินิจ่หนิจเราไอ้แง่สายถึงได้มาเข้าฝันบอกเป็นนายให้ตรงมาที่นี่ที่สุดแกก็พึมออกมาครั้งแรกเมื่อเราไม่มีหวังที่จะได้พบลุงฉันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะเป็นคนนําแกอร่อยพวกนั้นไปเองอนุชาวราริศบอกแผ่วเบาแต่เมื่อมาพบลุงแล้วเช่นนี้ก็อยากจะขอถามความสมัครใจอีกครั้งว่าลุงจะไปกับเราด้วยไหม บอกล่วงหน้าก่อนเลยว่าเป็นตายเท่ากันในการเดินทางติดตามพวกนั้นในครั้งนี้ความจริงในชดเองก็มีความชํานาญในการเดินป่าและแกะอรอยอยู่แล้วเหมือนพรานใหญ่คนหนึ่งแต่หนานอินก็ดีใจที่หนานอินมาทันเวลาพอดีแกพูดเนิบช้าแปลว่ารุ่งไม่ขัดข้องที่จะไปกับพวกเราด้วยเชิฐากับชา ย, ยันถามขึ้นเป็นเสียงเดียวกันข้าหนานอินซะก่อนถ้าจะไม่ยอมให้หนานอินไปด้วยในครั้งนี้หนานอินตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วที่รีบเดินทางมาที่นี่ ถ้าเช่นนั้นทุกคนโปรดฟังอนุชาลุกขึ้นยืนสูตรลมหายใจลึกเต็มปอดถ้าหากในชดประชากรคู่กับนานอินเมื่อไรแล้วก็ต่อให้หิ ม, มาพานบันพฤษหรือพระสุเมนไกลราชก็บุกถึงขอให้ทุกคนสบายใจได้ทุกคนถอนใจออกมาอย่างโล่งอกสำหรับดารินวราฤทธนั้นห ล, ล่อนดีใจจนน้ำตาไหลเป็นทางหล่อนไม่สิ้นหวังแล้วบนเรือนของราพินในคืนคนั้นไม่มีคณะคนใดง่วง เราคิดที่จะหลับนอนเลยเดิมทีก็ตระเตรียมเข้าของกันชุนลมุนสําหรับการเดินทางพรุ่งนี้เช้าอยู่แล้วจูๆ่ๆนานอินผู้ที่ทุกคนกําลังต้องการตัวที่สุดก็โผล่มาสมทบอย่างไม่มีเขาเงื่อนให้รู้ร่วงน่ะทั้งหมดจึงมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นดีใจยากที่จะกล่าวถูกต่างให้การต้อนรับพรานพลายพู้เท่ายางเต็มที่ณกลางนอกชานบ้านของเรือนที่แฝดเข้าหากันบันนี้จึงเป็นที่ซึ่งทุกคนอาจจะร่วมอยู่ในกรณีใช้เป็นที่ประชุมลึก หารือวางแผนและสนทนากันโดยมีแนมยพลซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานและในช่วงชายสูงอายุลูกบ้านนองน้ําแห้งซึ่งระพินมอบหมายไว้ให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคอยดูแลพวกลูกบ้านในระหว่างที่เขาไม่อยู่ร่วมวงอยู่ด้วยถูกอย่างที่คุณชายอนุชาวรารฤทธิ์ประกาศกล้องขึ้นเมื่อสักครู่นี้แหละถ้าหาคนที่ชื่อในชดประชากรจับคู่กับคนชื่อหนานอินเมื่อใดทุกโขดเขาลำเนาไพรทุกขนทุกแห่งในอาณาจักรป่าดง กย่อมจะปรุปโปรงหมดสิ้นเปรียบไม่ผิดอะไรกับประพินภัยวันจับคู่กับแงสายฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องพรั่นพึงกังวลอีกแล้วอันหนึ่งบุคคลอื่นๆที่จะร่วมคณะไปนในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณชายเชษฐาก็ดีชายยันก็ดีหรือแม้แต่ดารินเองก็ดีทุกคนไม่ใช่มือใหม่เลยสําหรับการผจญภัยในป่าสูงดงดิบการบุกบนันพานเทือกพระศิวะและมีชีวิตรอดกลับมาได้ย่อมเป็นวุติที่เหนือประกาศนียบัตร แห่งการเดินป่าทั้งหลายไม่ว่าจะออกให้โดยสถาบันใดทุกคนในคณะนี้ก็ล้วนดูดีบันดิตกิติมศักดิ์ในวิชาพรานและการเดินดงกันแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าการแกะอรอยการไต่เขาลงห้วยการสังเกตทิศทางในป่าไวพ้พลิ้เลี่ยมในการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติภัยจากมนต์มืดอาถรรพ์หรือสัตว์ป่าดูร้ายนาน า, นาชนิดตลอดจนฝีมือในการใช้อาวุธเพื่อการล่าหรือป้องกันตัวและความทรหดอดทน ความรู้ความสามารถที่ทุกคนได้รับและศึกษาริ่มเรียนมาด้วยประสบการณ์ของจริงก็มาจากประพินภัยวันและแง่สายผู้ประสิทธิปภาษาให้นั่นเองทั้งหมดด้วยและแต่มีความสามารถในการผจนชีวิตกลางลงดิบทุกสภาพเหนือกว่าพวกพรานอาชีพส่วนมากทั่วไปเสียอีกยิ่งลงได้นานอินผู้เปรียบเสมือนครูพรานช่ำชองชำนานในเรื่องสายเวทอาคมมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วยเช่นนี้การเสียงของการเดินทางก็มีเปอร์เซ็นต์ลดน้อยลงทันทีเพราะเป็นที่เชื่อได้ว่าของแหมพลวะ่ะ ผลชุดนี้จะต้องแกะอรอยติดตามอรพินไพร์วันกลับมาได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นการนำกลับมาเฉพาะกระดูกก็ตามทีแอมพลคิดฉะนั้นจะไม่กล้าพูด เ, เองก็ประสงค์จะร่วมทางไปด้วยโดยไม่มีการเสียแซงแต่ก็จนปัญญาเพราะที่ประชุมไม่อนุมัติและเจียมสังขารตนเองดีว่าถ้าตดไปได้ก็เท่ากับเป็นภาระให้คนเหล่านี้เสียเปร่าเปล่าเพราะไม่เคยกับการเหนื่อยยากลำเคนในป่ามาก่อนซ้ำความรู้ในด้านการเดินป่าก็เรียกได้ว่าไม่มีเลยจึงทำหน้าที่ที่ดีที่สุดได้แต่เพียงแค่ผู้แนะนำให้ความเห็น และประสานงานให้ความสะดวกเท่านั้นแต่เขาก็จัดทําให้แล้วอย่างเต็มความสามารถเพราะคณะของคุณชายเชษฐามาจากกรุงเทพก็ยังรีบด่วนแข่งเวลาเหลือเกินอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างขาดจึงเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องจัดหาให้ระหว่างที่คนอื่นๆกําลังรุมล้อมสนทนาหาเรืออยู่กับนานอินดาเรนถอยออกไปนั่งบนกระสอบข้าวสารเอามือเท้าค้างฟังอย่างเงียบๆตาของหล่อนมองจับอยู่ที่พรานเท่าซึ่งนั่งขัดตามาดอยู่กลางวงล้อมเห็นหน้านานอินแล้วก็ยิ่งทําให้หล่อนหวนย้อนระ ล, ลึกไปถึง คณะร่วมตายชุดเก่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุญเกิดไม่ว่าจะเป็นบุญคำเกิดจันเสยและเจ้าหยองกรอดพรานเท่าก้องสู้คู่ชีพของมาเรียจางปาคนนั้นส่วนอีกคนหนึ่งก็คือขยิมแหลงแห่งลมช้างเหตุการณ์ทุกระยะทุกตอนผุดขึ้นในความทรงจำเหมือนฉายภา พ, พยนต์ไม่ว่าจะนึกย้อนไปถึงใครคนไหนในเหตุการณ์ใดน้าตาก็จะพานไหลออกมาอีกความสัมพันธ์ของบุคคลในชุด ผานเถือกพระศิวะมาด้วยกันชุดนี้มีต่อกันอย่างเหนียวแน่นลึกซึ้งที่สุดเหตุการณ์ที่ผจญร่วมกันมาชนิดตายหลายครั้งเกิดใหม่หลายครั้งแบ่งน้ํากันกินแจกจ่ายกันคนละอึกเพื่อประทังชีวิตความรักสามคัคคีเสียสละให้แก่กันสภาพเช่นนั้นไม่มีคําว่าบ่าวหรือนายนอกจากความเป็นเพื่อนตายที่จะหาได้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วและตลอดทั้งชีวิตนี้จะไม่มีคนหนึ่งคนใดลืมมันเสียได้เป็นความรักอันบริสุทธิ์ใจที่ทั้งคณะมีต่อกันอย่างไม่มีอะไรเครือบแฝง และยากที่จะหาได้ในสังคมของมนุษยชาติยุคปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าญาติสนิทยิ่งกว่าพี่น้องครานตามกันออกมาโดยไม่จําเป็นที่จะต้องเลยอ้างถึงหรือกรีดเลือดสาบานร่วมกันเลยต่างฝ่ายต่างได้ศึกษาเรียนรู้และอย่างซึ่งในท่าแท้น้ําใจของกันและกันในครั้งนั้นทะลุปรุกโลงหมดรักแท้ระหว่างหญิงสูงศักด์และพลานป่าไปเกิดขึ้นที่นั่นมิตรแท้ระหว่ังเพื่อนต่อเพื่อนก็ไปเกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกัน กลางดงกันดานและความจริงใจระหว่างเบาวกับนายก็ได้พิสูจน์ตัวของมันออกเด่นชัดว่ามันจะแม้จะเป็นนายก็อาจเสียสละชีวิตให้แก่เบาได้ในเหตุผลอันสมควรส่วนเบาวก็จะตายแทนให้แก่นายได้ทันทีถ้าเป็นโอกาสของเขาสิงเหล่านี้ป่าดงพงไพรซึ่งได้บุกกันไปอย่างไม่รู้อนาคตเท่านั้นที่จะกลั่นกรองน้ําใจของแต่ละคนออกมาได้ทําให้เกิดความอย่างซึ้งผูกพันกันเป็นสายโซ่ระพินไพยวันนั้น เวนเซมไม่ต้องเอ่ยถึงสำหรับหลอนในขณะนี้ดารินคิดถึงแงซายคิดถึงบุญคำจันเกิดเสยจางปาขยินจนบอกไม่ถูกขณะเดียวกันหลอนก็น้ำถือน้ำใจของพี่ชายทั้งสองคนโรวมทั้งชายยันและมาเรียที่ได้ตัดสินใจออกติดตามระพินในครั้งนี้ถึงมาเรียจะมาด้วยไม่ได้ก็เป็นผู้ผลักดันชายยานันผู้สามีซึ่งสมัครใจอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ยังไม่มีการลังเลเลยเมื่อรู้ความจริงแน่นอนจากแนมพลถ้าเชษฐาอนุชาและชายันไม่ตกลงหรือมีความเห็นแตกแยกแค่ยอย่างเดียวเท่านั้นลําพังหล่อนผู้หญิงเพียงคนเดียวต่อให้มานะพยายามสักแค่ไหนหล่อนจะมีปัญญาตามระพินได้อย่างไรคิดแล้วบนความว้าเววันวิตกหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยก็บังเกิดความอบอุ่นใจขึ้นทันทีนานอินการไปตามระพินในครั้งนี้ของเราก็เหมือนเหมือนกับครั้งที่เรา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 เขาไปเสียชีวิตที่ไหนอย่างไรและเอากระดูกเขากลับคืนมาความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะได้ยินแต่เสียงลมดึกพัดกิ่งไม้ไหวสู้อยู่เหนือหลังคาบ้านและมีเสียงบางร้องแหลมยาวแววตามลมมาจากแดะชายดงไกลคนอย่างนายรพินถ้าจะตายก็ตายเพราะโรคเก่าประจำตัวไม่ใช่ตายเพราะภัยจากมนุษย์สัตว์หรือความอาถรรพ์ของป่าหรอกนานอินเปลยขึ้นอย่างใช้ความคิดแปดวันที่นายราพินล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ไม่นานเกินไปนะัดนายนินเชื่อว่าจะแกะอรอยก้าวสกัดได้ทันและต้องตามพบที่ใดที่หนึ่งแน่นอนเพราะนายรพินนําทางพวกนั้นไปเป็นขบวนไม่ได้เดินตามลําพังคนเดียวคงไปได้ไม่เร็วนะแล้วพรานใหญ่พูดเทาก็หันไปทางแนวพลไหนในห้างบอกว่านายรพินจะมุ่งเข้าหาห้วยเสือร้องก่อนเลยใช่ฉันหลอกถามเขาว่าเขาจะไปทางไหนเขาก็บอกว่า จะบ่ายหน้าไปทางห้วยเสือร้องก่อนพอออกอบริษัทไทไวท์ไลฟ์ยักหน้าพร้อมกับตอบมานานอินอเมอลูปคางถ้ามุ่งห้วยเสือร้องก็จะต้องผ่านเข้าดงดําในอันดับต่อไปจะเป็นคนละด้านกับหล่มช้างมีข้าวของสัมภาระไปด้วยแยไ่ไหมในห้างจะเริ่มสอบถามทันทีก็ไม่แยะนักหรอกของจําเป็นทั้งนั้นใช้ลูกหาบสิบคนนายรพิน์กับคนของเขาอีกสี่ รวมเป็นห้าฝรั่งสี่คนสองคู่และมีนายทหารไทยอีกหนึ่งคนรวมทั้งหมดยี่สิบคนพอดีคนยี่สิบคนมีของแบกหามไปด้วยไปได้ไม่เร็วนะักนานอินอยากรู้ว่าฝรั่งสี่คนที่เป็นผู้ชายสองผู้หญิงสองกับนายทหารไทยอีกคนหนึ่งเคยเป็นคนเดินป่ามาก่อนหรือเปล่านานอินรอบคอบไม่ใช่น้อยทีเดียวที่ซักถามนายอัมพลเช่นนี้ฉันก็ไม่รู้แน่เหมือนกันนานอิน เพราะไม่เคยรู้จักคนเหล่านั้นมาก่อนแต่เท่าที่เห็นกริยาท่าทางและการจัดเตรียมข้าวของก็รู้สึกว่านายจ้างทั้งห้าคนของคุณระพินน่าจะเข้าใจในเรื่องเดินป่าเป็นอย่างดีมาแล้วนายทหารไทยคนนั้นเป็นฝ่ายเดียวกับคุณระพินแน่เพราะเอเลือดไทยได้วยกันแต่ฝรัลล่งสี่คนนั่นเป็นพวกเอฉันจะบอกกับหนานอินยังไงถึงจะให้เข้าใจได้ดีเอาเป็นว่าพวกทหารต่างชาติที่อาจไม่จริงใจต่อฝ่ายเรานักก็ได้ แลเป็นกลุ่มบุคคลที่ถ้าคุณระพินไม่ประมาทก็ควรต้องระวังตัวเต็มที่พวกนั้นอาจหักหลังเมื่อไหร่ก็ได้แหนมพลก็บอกอยังตรงไปตรงมาดีเหมือนกันเพราะในภาวะเช่นนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องปกปิดกันอีกแล้วแกพยักหน้าเนิบๆอย่างเข้าใจช ย, ยันก็เสริมมาว่าตามปกติแล้วการเดินทางเข้าป่าของระพิน์ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรของพวกเราเลยลุงอินเขาเข้าไปได้เขาก็ออกมาเองได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นสุดแต่ทุละของเขา อันเป็นปกติวิสัยที่เราเคยรู้แต่การไปของเขาคราวนี้มีสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจอย่างมากเกี่ยวกับนายจ้างต่างชาติและงานสําคัญที่เขารับทําให้นั่นแหละเราเป็นห่วงเขาในเรื่องนี้จริงจะเป็นจะต้องตัดสินใจตามพรานเท่าเจนพลายหัวร้อนหือห้อในลําคอมวนบุหรี่ไปตองแห้งช้าๆในมือในป่าใครจะมามีเลขคนอะไรกับนายละพินได้มีแต่ว่านายละพินจะหลอกเอาพวกนั้นไปตายเสียละมากกว่าใครก็ตาม ต่อให้มันเกณฑ์การมาจากไหนเดินป่ากับนายลพินก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วนายลพินคนเดียวเมื่อไหรย่างไอคําไอ้จันท์ไอ้ไอเกิดกับไอ้เสยทหารเอกสี่ตัวของนายละพินนั่นแต่ละตัวยังกับผีไัยทั้งนั้นเรื่องนี้นานอินไม่ค่อยห่วงนะห่วงแต่ว่านายลพินเป็นคนซื่อสัตย์ทํางานจริงไม่เคยทรยศต่อใครเลยทีนี้ไอเรือบินลํานั้นมันไปตกที่ไหนก็ไม่รู้หน้าที่ของแกก็คือจะต้องพาไปค้นให้พบ ให้เรือบินตกอาจต้องเดินเงี้กากันตลอดชาติก็ได้นันอินเห็นด้วยที่ว่าจะต้องออกตามเพราะคนอย่างนายละพินถ้า ง, งานที่แกรับจ้างไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแกก็ไม่ยอมกลับเหมือนกันว่าแต่ทางเจ้านายเถอะประโยคหลังแกกวาดตาไปยังกองสัมภาระที่ยังเกะกะเกลื่อนอยู่เตรียมตัวกันพร้อมแล้วหรือเสร็จและจะไปกันสักกี่คนเรากําลังเตรียมของยุ่งกันอยู่นี่อนุชาเป็นคนบอก ชี้มือกราดไปยังถุงทะเลกองสัมพาระที่ยังจัดไม่ได้ที่ก็พ อ, พอดีนานอินโผมาถึงพวกชั้นทีแรกก็จะไปกันสี่คนนี่แหละคือในายใหญ่ตัวชั้นนายทหารชายยันและนายหญิงดารินได้นานอินมาสมทบเป็นพรานํำทางอีกคนหนึ่งก็รวมเป็นห้าคนส่วนพวกลูกหาบเราก็จะเอาไปสิบคนถ้าลูกหาบของคณะรพินเข้าเหมือนกันโดยให้คุณอณําพลกับในช่วงที่นั่งอยู่นี่จัดหาให้จากคนในหนองน้าแห้ง เลือกเอาพวกที่เคยชํานาญในการแบกขามเดินป่าโดยเฉพาะข้าวของฝ่ายเราก็ไม่เอาไปมากนักหรอกเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นอาจมีน้ําหนักน้อยกว่าพวกฝรั่งพวกนี้เสอีกเพราะเราไม่ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรเกี่ยวกับการกู้ระเบิดอาหารกระป๋องเราก็มีไปไม่มากฝากท้องไว้กับป่าข้างหน้าลุงจะมีอะไรแนะนําเราบ้างอีกไหมเอาของไปน้อยๆละดีไม่ต้องแบกน้ําหนักมากทําให้เดินเร็วขึ้นเข้าป่ากันนานอินเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงจําเป็นเข้าจริงๆ หัวเผือกหัวกรอยก็ประทังชีวิตได้ในชดเองย่อมรู้ดีอยู่แล้วเพราะคราวนั้นเรากินข้าวลิงหลายมื้อติดต่อกันเรายังไม่ตายแล้วแกก็หัวเราะพอถ้าเข่าม้าที่พกศีรษะออกเห็นเส้นผมขาวมากกว่าดำแล้วสะบัดพืบภาพไล่มแมลงข้างตัวคนที่จะเอาไปด้วยสิบคนพวกเจ้านายแน่ใจหรือ ว, ว่ามันจะยอมไปกับเราตลอดเพราะเดินทางคราวนี้มันเสี่ยงมากอาจไม่ได้กลับมาอีกแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกแนมพลเป็นคนตอบทุกคนล้วนรักนับถือระพิน และเป็นเครือญาติกับพานสี่คนนั่นทั้งนั้นทุกคนมีความห่วงระพินไม่น้อยไปกว่าเราและอาสาที่จะไปด้วยทั้งนั้นจนต้องคัดออกเลือกเอาที่แข็งแรงและชํานาญป่าจริงๆเท่านั้นข้าจางเขาก็ไม่ต้องการรับขอเพียงให้ได้ไปตามเจ้านายของเขาเท่านั้นทางนั้นก็ดีพลานเท่าว่าและมองไปยังฝ่ายเจ้านายที่ละคนอย่างเคารพชื่นชมนานอินบูชาน้ําใจของเจ้านายทั้งหมดที่คิดจะไปตามนายระพินครั้งนี้แปลว่าพวกเจ้านายทุกคนเป็นคนจริง รู้จักค่าของคนที่เคยรับใช้เจ้านายมาแล้วด้วยชีวิตและเป็นเพื่อนแท้ไม่ยอมทิ้งกันสำหรับนันอินนั้นถ้ามารู้ข่าวนี้เสียก่อนนานอินก็คงออกติดลอยนายละแต่นายละพินไปก่อนแล้วทิ้งแกไม่ได้เหมือนกันมัวแต่ร่อนเรเพเนจรอยู่ในลาวพราไม่ได้ผ่านมาทางนี้เสียนานก็เลยไม่รู้เรื่องกันคนอย่างนายละพินเป็นคนหายากน้าใจแกประเสริฐสุดนานอินเองก็รอดตายเพราะแกะหลายครั้ง ก่อนที่จะออกเดินทางไปกับในชดครั้งนั้นมารู้ข่าวเอาเดียวนี้ก็ออกใจหายเชษฐายิ้มครึมๆจุดซิก้าพวกเราก็เชื่อเหมือนกันว่าท่านานอินรู้ข่าวก็คงออกตามไปแล้วว่าจะลุงเถอะเห็นพวกเราที่เตรียมตัวเดินทางในครั้งนี้แล้วมีอะไรน่าหนักใจบ้างไหมรานอาวุโสชั้นครูระบุชื่อไปทั่วทั้งฝั่งพมา่าและฝั่งไทยสันหัวรานอาวุโสชั้นครูระบอชื่อไปทั่วทั้งฝั่งพมา่าและฝั่งไทย ดันหัวไม่มีอะไรที่นานอินจะต้องหนักใจหรือเป็นห่วงนักเจ้านายทั้งสี่คนแกชี้เลี่ยงตัวไปตามลําดับและคนสุดท้ายคือดารินรวมทั้งนายหญิงนั่นล้วนแต่เป็นคนเคยเดินป่าหนักที่สุดมาแล้วทั้งนั้นรู้และชํานาญดีอยู่แล้วว่าป่าคืออะไรไม่ใช่มือหัดใหม่ถึงแม้จะทิ้งไปนานวันสองวันแรกอาจไม่คล่องนะักแต่พอให้เส้นสายยืดกําลังอยู่ตัวเส้นหน่อยเท่านั้นทุกคนก็เหมือนพรานอาชีพแทบจะปล่อยเดียวได้ทุกคน เสดายอยู่ตรงที่นายแม่มมาเรียมไม่ได้มาด้วยเพราะออกลูกในทหารชา ย, ยันนั่นก็ใจเด็ดแท้เมียเพิ่องออกลูกหยกๆก ก, ก็บุกมาตามเพื่อนเลยเมียกับลูกเขาสุขสบายดีแล้วแต่เพื่อนกําลังตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องห่วงเพื่อนมากกว่าชา ย, ยันตอโพรองออกมาคนเราเพื่อนแท้แค่ไหนมันจะรู้กันก็ตอนที่เพื่อนกําลังทุกข์ยากนี่แหละหานอินพูดทื่อๆด้วยภาษาง่ายๆของแกแต่มันก็เป็นปรัชญาหน้าคิดและกินใจลึกในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยิน รุ่งนี้เราจะเริ่มต้นกันยังไงหาลรือกันเส่นเดียวนี้เลยลุงฉันมอบหน้าที่ในการนำทางให้กับลุงแล้วอดีตชดประชากรถามขึ้นคนตั้งยี่สิบคนไปเป็นขบวนใหญ่ตามรอยไม่ยากหรอกในชดแต่เรียกนามเดิมที่คุ้นปากของหม่อมราชวงศ์อนุชาวลาลิศเชื่อว่าร่องรอจะต้องทิ้งไว้ให้เราคลาได้เป็นระยะไปทีเดียวอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่งล่วงหน้าไปแค่เจปดวันเท่านั้นยังไม่นานนกะ นายอินตั้งใจว่าจะมุ่งเข้าหาหมู่บ้านก็เหลี่ยงซับบอนก่อนคิดว่าคณะของนายละพินคงจะไปพักแรมอยู่ที่นั่นเป็นคืนแรกสอบถามเอาความให้แน่ชัดจากชาวป่าพวกนั้นพอรู้แน่ยังไรแล้วเราก็จะใช้วิธีก้าวสกัดตัดทางไปยังห้วยเสือร้องเลยไม่ต้องตามรอยไล่หลังเข้าไปทุกพยะให้เสียเวลาใช้วิธีเก่งเป้าหมายแล้วดักเป็นจุดๆไปสิ่งที่เจ้านายทุกคนจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องทําเวลาเดินให้เร็วที่สุดทัก ช, ช้าเสียเวลาไม่ได้เลยเทฐาดีดนิ้วอย่างพอใจ นั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดและฉันก็คิดอย่างนั้นก่อนแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะสกัดดักเส้นทางเขาได้ถูกหรือไม่เท่านั้นแต่เมื่อมีนานอินมาร่วมแล้วเช่นนี้ก็เบาใจไปแยะทีเดียวเพราะในเรื่องเดินป่าแล้วนอกจากแง่สายก็คงมีนานอินอยู่อีกคนเดียวเท่านั้นที่จะอ่านรหัสอ่านใจละพินได้ถูกว่าเขาควรจะบ่ายหน้าไปทางไหนนานอินหัวเราะแหะแหะอุบอิบว่าก็ายังไม่แน่เหมือนกันนายใหญ่ เราเสี่ยงกันดูเท่านั้นเล่นเอาเถิดเจ้าลอกกับนายดพินในป่าไม่ใช่ของง่ายนะครั้งหนึ่งนานอินเคยสะกดตามหลังแกเป็นระยะห่างกันแค่วันเดียวเท่านั้นยังตามไม่ทันดันด้นสืบหาไปทุกถ้ำทุกเขาร่วมครึ่งเดือนจนหมดหวังแล้วดันผากลับมาพบแกที่หนองน้ําแห้งนี่เองแกกลับมาถึงก่อนหน้านานอินตั้งสามสี่วันแต่ตอนนั้นแกตามช้างร้ายของแกอยู่คนเดียวไม่ได้ออกเดินทางเป็นขบวนใหญ่แบบนี้ นายละพินเดินป่าเหมือนพรานคนอื่นๆที่ไหนตัดเขาได้เมื่อไหรแกตัดมุดทําได้ตรงไหนแกมุดเรียกว่าไม่มีทิศทางเดินให้เดาได้เลยจนกระทั่งบางที น, นันอินยังไม่คิดว่าแกใช้วิชาตัวเบาหรือนั่งเทียนเบิกภูเขาไปอย่างนั้นแหละอยู่ในป่านายละพินคนธรรมดาเสียเมื่อไหรผีป่าจะแท้ต่อให้ไอ้แง่ทายก็เถอะถ้าจะให้ตามกันเดียวๆจริงๆแล้วจ้างก็ตามละพินนายละพินไม่ทันหรอก ไอพวกฝ้าลังมันฉลาดที่สุดแล้วถึงมาคว้าเอาตัวแกไปคราวนี้ฉลาดเท่าๆกับพวกเจ้านายที่มาจ้างให้แกไปตามตัวหนานอินกะในชดที่เดียวแหละทุกคนเพิ่งจะหัวเราะออกมาพร้อมๆกันได้เป็นครั้งแรกเพราะคำพูดของพลานอาวุโสที่แฝงแววขบขันไว้ไท ย, ยันนึกสนุกเริ่มขนองปากก็เลยสอดตูมตา ม, มาว่าั้นว่าไอ้ฟ้าลังพวกนั้นฉลาดกว่าคณะของชั้นที่เคยมาจ้างระพินในครั้งนั้นซะอีกนะ เพราะคราวนั้นพวกฉันมีผู้หญิงขี่ลิ้วร่วมทางไปคนเดียวคือคนที่นั่งหน้าเศร้าอยู่นี่ไทยันชี้มือไปที่ดารินพร้อมกล่าวต่อแต่ฟาลั้งพวกนั้นอ่อมแหม่มสาวๆมาพร้อมกันสองคนแต่ละคนสวยเสด็จญาติบาดใจได้กันทั้งคู่แล้วก็ไม่ใช่เมียของไอ้ฟาลั้งผู้ชายสองคนนั้นด้วยเป็นสาวโสดรับรองว่านายละพินของหนานอินคงพาเดินขึ้นเ ข, ขาลงมุดทำเพลินไปเลย ประโยคหลังเขาเจตนาที่จะยั่วล้อเลียนดาลินโดยตรงแต่แล้วรู้สึกเสียใจที่ไม่ควรพูดออกไปเพราะความขนองปากเช่นนั้นเมื่อเห็นเพื่อนสาวที่เปรียบเสมือนญาติในตาตกลงพื้นใบหน้าเซียวซีดลงไปอีกเชิด้ากับอนุชาถลึงตามองว่ายังชายยันร้อกับงัดกันไว้แล้วรอบออนนิ้วแตจริมฝีปากเชิงให้เบรกวาจาเอาไว้บ้างชายยันจึงได้แต่ยิ้มแห้งๆหน้าเจื่อนยไปแต่นานอินไม่รู้ความในใดๆทั้งสิน้นพูดตามภาษาซื่อของแกว่า ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงไม่ว่าสาวหรือแก่ไม่ว่าสวยหรือไม่สวยไม่มีความหมายสําหรับนายรพินหรอกนานอินรู้จั ก, จกนรพินมานานแล้วนรพินไม่ใช่คนไวไฟเจ้าชู้เรื่องนี้คนที่คุ้นเคยกับแกต้องรู้ดีทุกคนแกอยู่ที่นี่มาจนจวนจะเป็นปู่ของป่าแล้วนานอินยังไม่เคยเห็นแกเลาะคล่องแวดกับผู้หญิงคนไหนไม่ว่าคนกรุงจากเมืองหลวงหรือคนป่าคนเขาดารินมาลาลิศลุกขึ้นจากที่นั่นช้ า, ชา เดินอย่างปราศจากความหมายไปหยุดยืนก่อนหน้าอกอยู่ที่หน้าต่างพอดสายตาฝ่าความมืดขึ้นไปยังหมู่ดาวบนท้องฟ้าอนุชาใช้กำปั้นซัดปีกอนุชาใช้กำปั้นซัดปึกมากลางหลังสหายปากเปราะของเขากระซิบไอ้บ้าแกไม่น่าจะทําให้น้อยต้องใจเสียเลยปากพรอยไม่เข้าเรื่องแค่นี้ประสาทก็จะกินน้อยตายอยู่แล้ว ชัยยันหัวเราะแห้งๆ แ, แล้วค่อยๆลุกขึ้นย่องตามหลังเพื่อนสาวเขาไปยืนอยู่ใกล้ๆเอามือโอบเอาไว้น้อยฉันขอโทษนะถ้าพูดอะไรทำให้เธอไม่สบายใจฉันล้อเธอเล่นนะ่ะลิมฝิปากคู่นั้นปรากฏรอยยิ้มจางๆตาคงมองออกไปยังความมืดเช่นนั้นไม่หรอกชัยยันฉันไม่ใช่คนอ่อนแอถึงขนาดนั้นน้อยหืมถามอะไรอย่างจริงใจสักอย่างหนึ่งได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กจะถามอะไร เคยมีอะไรกับประพินเกินเลยกว่าสภาพของการเป็นคนรักบ้างไหมชัยยันกระซิบเบาที่สุดดารินวราติถันช้าๆมาประสานสายตาตรงกับเพื่อนชายผู้สนิทเท่ากับพี่ยิ้มเศร้าๆสั่นหน้าฉันเสียดายแล้วเกินที่เราไม่เคยมีอะไรกันเลยอาจเป็นเพราะฉันเล่นตัวอาจเป็นเพราะเขาสุภาพบุรุษเกินไปจริงๆนะชัยยันฉันอยากจะให้มีแล้วเกินเพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปในครั้งนี้ อาจมีอะไรเป็นเครื่องเหนียวรังให้เขาต้องรีรอเพราะห่วงพัญญาของเขาแต่นี่เขาไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยบทจะไปก็ ป, ปุรับไปง่า ย, ายๆเสียงของหล่อนแหบเหือดเครือลงกัดริมฝีปากแน่นกระซิบแผวต่อมาว่าประพินเป็นคนคิดมากและเจียมตัวที่สุดเขาดูเหมือนจะไม่เชื่อหรอกว่าฉันรักเขาจริงคอยคิดระแวงอยู่เสมอว่าฉันจะทอดทิ้งหมดความเอเจตใ่ต่อเขาภายหลังจากที่เราห่างไกลกันแล้ว นี่อาจเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ทําให้เขาหมดอะไรตายยากับชีวิตหมดหวังไร้ที่ยึดเหนี่ยวทําอะไรก็ทําได้โดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังถ้าฉันยอมเป็นพันยาเขาเสียทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสตั้งพันครั้งฉันเชื่อว่าเป็นตายหลายดีเขาก็คงไม่จากไปในคราวนี้หรอกหรือถ้าจะไปก็คงจะต้องส่งข่าวให้รู้ไม่ใช่หนีไปแบบนี้คําพูดปนสะอื้นของดารินทําให้ชายยันนั่งซึมไปนานแต่เขาจะเชื่อ แต่เขาจะเชื่อแน่ว่าเธอรักเขาอย่างเด็ดเดียวจริงจังเมื่อเธอเสี่ยงชีวิตตามเข้าไปใช่ฉันก็หวังไว้เช่นนั้นแต่อะไรจะมาเป็นหลักประกันว่าฉันจะตามไปพบเขาในสภาพที่ยังหายใจอยู่ไม่ใช่พบแต่เฉพาะหลุมฝังศพหรือกระดูของเขาในหนทางที่เรากำลังบุกบั่นไปเพื่อนรักกันมาแต่เล็กแต่น้อยสนิทเหมือนพี่น้องครานตามฝ่ายหนึ่งชายอีกฝ่ายนึงหญิงมองตากันยิ่งไปเช่นนั้นรันแล้ว ขณะหนึ่งต่อมาชายยันก็จับต้นแขนทั้งสองข้างของหม่อมราชวงศ์สาวไว้ดีบหนักแรงอยากคิดในแง่อัปมงคลน้อยเราต้องคิดในด้านที่ดีงามและมีความหวังไว้ก่อนครั้งก่อนนี้ตอนเราออกตามอนุชากับนานอินเรายังไร้ความหวังยิ่งกว่านี้ซักสิบเท่ากระมังเชื่อแน่กันตั้งแปดสอร์ซว่าไม่มีทางได้ตัวกลับคืนมาแล้วแต่ในที่สุดเราก็ยังทํากันได้สําเร็จ มาคราวนี้ฉันขอตั้งความหวังไม่ถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยว่าเราจะต้องตามเขาพบในสภาพที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเอาตัวกลับคืนมาได้ดารินฝืนยิ้มลอยๆอยอะไรที่ทำให้เธอคิดตั้งความหวังไม่มากมายถึงเพียงนั้น ง, ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรให้เปลืองสมองรัะพินนะชำนาพรานชำนาญป่าส่วนเราบางอาจพยายามไปตามตัวเขาเขาเองนั้นจะต้องเอาตัวรอดได้อย่างสบายแล้ว ตรงข้ามพวกเราที่ไปกันนี่สิชั ย, ยันบุยปากไปยังพักพวกทุกคนได้ถามตัวเองดูแล้วหรื อ, อยังวะเราชำนานเท่าเขาหรือตอนให้แต่ละคนเคยผ่านประสบการณ์มาสักแค่ไหนก็ตามทีเทียบกับประพินแล้วก็แค่ลูกศิษย์เท่านั้นพวกเรานะชั้นประถมส่วนข้าอุดมศึกษาสิ่งที่น่าห่วงชั้นว่าไม่ใช่เขาหรอกต่ควรเป็นพวกเราเสียมากกว่ายังไม่แน่วาพวกเราตังหะ จะมีใครพลราดพลังเสียชีวิตลงบ้างหรือไม่ในการเดินทางคราวนี้เพราะฉะนั้นฉันว่าเธอเลิกกังวลทุกใจเกินกว่าเหตุเสถอะยึดมั่นอย่างเดียวว่าเราจะไปตามเขาให้ได้ก็แล้วกันแล้วเราก็กําลังจะไปกันอยู่แล้วราชกุลสาวส่งมือไปให้ชา ย, ยันจับระเบียบกระชับแน่นตกลงชา ย, ยันฉันจะทําใจให้ได้อย่างที่เธอแนะนําอีกอย่างหนึง่งชา ย, ยันกล่าวหนักแน่นต่อไปเราก็ควรจะสบายใจและมีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัว เมื่อนานอินโพรมาในคืนนี้และรอมที่จะไปกับเราด้วยรอยลำเลยแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วถึงไหนถึงกันการโผล่มาของนานอินครั้งนี้นับว่าเป็นรางดีหรือมหาโชคในการเดินทางของเราบอกตรงๆลาพังอนุชาต่อให้เราเชื่อว่าเขาแน่สักขนาดไหนฉันก็ยังไม่เชื่อฝีมือนักหรอกในด้านแกะอรอยเราอาจเหนื่อยอาจต้องเสี่ยงชีวิตกันแทบเลือดตากระเด็นไม่น้อยไปกว่าการเดินทางครั้งนั้นแต่ความหวังเราก็มีมากกว่า มาทางนี้เถอน้อยตั้งแต่หัวค่ำละ่ะพอกินอาหารเสร็จเธอก็ไม่มาร่วมอะไรกับเราเลยพาห้องปิดประตูงเงียบมาช่วยชนตระเตรียมของดีกว่าส่วนเรื่องเตรียมวางแผนเดินทางนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอนุชาเชษฐาและนานอินเขาจะหารือกันพร้อมพูดชา ย, ยันจุงมือเพื่อนสตาวตรงไปยังกองสัมภาระอันสมพเนนอยู่และลงมือจัดเตรียมเพื่อให้เป็นหมวดหมู่สาหรับการบรรจุข้าหีบผอหรือถุงทะเลทันที ดารินมานั่งคุกเข่าดูอยู่ด้วยท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นแต่ยังงง ง, ง, งช่วยทําอะไรไม่ถูกนะอันเนื่องมาจาับข้อได้เปรียบที่สอบรู้กันได้ล่วงหน้าจากนาผลว่ามีอาวุธและอุปกรณ์ชนิดใดบ้างซึ่งฝ่ายในจ้างอเมริกันของรพินจัดเตรียมและออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วช ย, ยันและเชฐิฐาซึ่งทําหน้าที่วางแผนทางเสนาธิการจึงกําหนดสิ่งของโดยเฉพาะยุทธสัมภาระชนิดที่จะไม่ยอมเสียเปรียบอเมริกันเหล่านั้นเลยสมคนคือเชฐิฐาอนุชาและชัยยันจะใช้ไหลเฟื่ติดตัวประจํามือ ในภาวะปกติเหมือนกันทั้งหมดเพื่อสะดวกในการอาศัยกระสุนแทนกันได้คือขนาดจุดสี่ห้าขนาดจุดสี่ห้าแปดวินเชสเตอร์แมกนัมสำหรับการป้องกันตัวจากสัตว์ใหญ่และหาอาหาร M สิบหกแบบคอมมานโดพับฐานสำหรไปอีกสีกระบอกสำหรับบุคคลทั้งสี่หากว่าเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องสู้รบหรือเกิดสถานการณ์ที่กลิ่นเกรงไว้ล่วงหน้าแถมด้วยเครื่องยิงระเบิดขนาด G สิบมม แบบ M 79อีก2กระบอกพร้อมทั้งกระสุนขนาดที่พอเพียงจะตั้งรับหรือถล่มทหารได้เป็นกองร้อยอาวุธสงครามเหล่านี้จะถูกแพ็คเข้าหีบพอเรียบร้อยและกําหนดกันไว้ว่าอย่างนัดออกมาใช้ก็ต่อเมื่อถึงคราวจําเป็นเท่านั้นวัตถุระเบิดเพื่อการดัดแปลงไปกับระเบิดหรือทําลายสถานที่พร้อมเชื่อประทุอีกจํานวนหนึ่งโดยตัดระเบิดมือแบบขว้างออกไปเสียเพราะมี M 79ใช้แทนในระยะไกลและให้ความแม่นยํารรุงแรง ร, รุนแรงพอกันอยู่แล้ว สำหรับลูกหาบทั้ง10คนที่คัดเลือกตัวไว้ได้แล้วจะใช้ลูกซองบรรจุ5นัดทั้งหมดบางกระบอกเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติบางกระบอกก็เป็นแบบสไลด์แอคชั่นสุดแต่นายอำพลจะจัดสรรหามาให้ได้รวมทั้งของส่วนตัวที่บางคนก็มีอยู่บ้างแล้วสำหรับดารินนั้นอาวุธหลักประจำตัวเจ้าตัวเองยังไม่ได้กาหนดแน่ลงไปจะใช้อะไรเพราะมดตะหมดกระจิตรใจที่จะคิดทาอะไรนอกจากความเศร้าซึม เดี๋ยวนี้เมื่อมานั่งเท้าค้างมองดูชา ย, ยันจัดของอยู่ก็ได้รับการแนะนําจากเพื่อนชายว่าเพื่อความคล่องตัวและเบาไม่เป็นภาระในการติดตัวเธอใช้ M16 ก็แล้วกันหน้าที่คุ้มกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่เป็นของพวกผู้ชายเขาอยู่แล้วตอนสัน่นชี้สะช้าและพูดเน้นหนักอย่างมั่นใจขณะที่หลีตาลงว่าไม่เอาพวกเอ็ัดหอรวมไปตามเดิมเถอะฉันจะใช้ปืนกระบอกเดิมของฉันคือส0 0เวแม็กกระบอกนั้นราเพียยังเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมในตู้ มันจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับฉันและมีความหมายให้ฉันได้เตือนและลึกไปถึงอดีตฉันทิ้งมันไม่ได้หรอกไรเฟิลประจํามือกระบอกนั้นชัยยันหัวเราองทางนั้นก็แปลว่าฉันถายใจเธอถูกนี่ยังไงล่ะกระสุน300เวแม็กฉันเตรียมมาให้เธอแล้วเผื่อไว้เสร็จ4ี่กล่องหนึ่งนัดพอไหมก่อนพยักหน้าด้วยอาการใจลอยอยู่เช่นนั้นและพูดออกมาอีกทางหนึ่งว่าเธอรู้ไหมชัยยันปืนของฉันกระบอกนั้นระพินเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ไม่มีรอยสนิมแนมะ้แต่นิดเดียวเหมือนจะรอให้ฉันกลับมาใช้งั้นแหละฉันเปิดตัวดูแล้วในตู้ปลายเตียงในห้องนอนของเขาฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอเสี่ยงสัตว์อธิษฐานไว้ว่าอย่างไงเกี่ยวกับปืนกระบอกงั้นแต่ไอที่เปิดออกมาดูแล้วไม่พบสนิมนะมันเรื่องธรรมดายอดชายของเธอมันไรเฟิลแมนตัวชกาดอยู่แล้วก็จะปล่อยให้ปืนที่อยู่ในความดูแลของเขาเกิดสนิมขึ้นได้อย่างไรคนฝากชีวิตไว้นในป่ามันก็ต้องรักปืนและคนรักปืนมันก็ไม่ปล่อยให้ปืนเป็นสนิมหรอก ไม่ว่าจะกระบอกไหนทั้งสิ้นและเป็นไนงะไปเปิดตรวจดูคลังปืนของเธอแล้วเห็นปืนเก่าๆชุดนั้นของพวกเราอยู่ครบไมมโดยเฉพาะ600ดับเบิ้ลไรเฟิลของฉันดารินพยักหน้าครบไม่มีกระบอกไหนขาดหายไปเฉยๆหรอกนอกจากบางกระบอกที่เขาจำเป็นจะต้องเอาติดตัวไปด้วยสำหรับ600ในตรวของเธอก็ยังอยู่คราวนี้เธอไม่แบกไปอีกหรือชยันหัวเราะดังๆคนเรามันต้องโง่เสก่อนถึงจะฉลาดภายหลัง ตอนนี้ฉันไม่งูแบบแบกบปืนหนักๆแรงถีบขนาดนักมวยเฮฟวี่เวทต่อยไหลให้บ้าอีกแล้วกระสุนก็หาไม่ได้เลิกผลิตไปแล้วถึงสมัยก่อนแล้วมันน่าหัวเราะพวกเราทุกคนแต่ละคนกลายเป็นตัวตลกไปทั้งนั้นยกเว้นเชิดาคนเดียวที่รักษาเหลี่ยมไว้ได้ดีที่สุดยิ่งเธอเองนี้ยังก็จะมาถ่ายหนังเลยเพื่อนชายพยายามพูดคุยโดยเพื่อให้เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานได้เลยดารินได้แต่ยิ้มจจืดไม่ไปรีบกระเป๋าใดทั้งสิ้นเอามือข้างที่เท้าคาง กัดเล็บมองดูชัยยันจัดของง่วนอยู่คนเดียวในระหว่างที่อีกมุมหนึ่งไม่ห่างออกไปนะนายอัมพลเชษฐาอนุชาและนานอินกำลังหาลือกันอย่างเคร่งเครียดเกี่ยวกับการวางแผนเดินทางชัยยันช่วยเอ็มเจ็ดสิบเก้าขึ้นมากระบอกหนึ่งหักคอลงแล้วยกขึ้นส่องดูลำกล้องภายในพื้นพันออกมาว่าให้ตายเถอะนี่ฉันเดาไม่ถูกเลยว่าถ้าตามพบกันในป่าอะไรมันจะเกิดขึ้นระหว่างเรากับอเมริกันพวกนั้น นี่เป็นสิ่งที่เราหนักใจที่สุดโอกาสที่จะพูดกันรู้เรื่องและไม่รู้เรื่องมีอยู่ครึ่งต่อครึ่งเพราะฝ่ายเขาก็ถือว่าไปทำงานรับสุดยอดที่จะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไปข้างเราหรือก็จะไปตามเอาตัวคนของเราคืนมาทำความเข้าใจกันได้มันก็ดีไปแต่ถ้าไม่เข้าใจกันบอกตรงๆเพราะถล่มด้วยเอ็มเจ็สิบเก้าเลยพับผาสิฉันไม่เคยคิดว่าเขาจะมีภยัยอะไรกับพวกเรา ช้ยยันคนจเจริญด้วยกันแล้วและอีกอย่างหนึ่งพวกเขาจริงๆนะก็มีเพียงแค่สี่คนเท่านั้นใช่สี่คนนะ่ะมันแค่ไปที่ทางภาคพื้นดินไอ้ที่จะส่งกำลังบำรุงแบบหน่วยคอมมานโดซึ่งหาซึ่งจะมาทางอากาศละ่ะเธอไม่คิดบ้างเหรอพวกนั้นสามารถติดต่อกับกองบัญชาการหรือสถานีควบคุมการเดินทางของเขาได้ตลอดเวลาจะเรียกกาลังมาเพิ่มเติมเมื่อไรก็ได้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมาก ฉันกับเชษฐาถึงได้ตัดสินใจเอาอาวุธหนักไปด้วยปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าที่จะต้องเสียใจภายหลังนี่คือยุทธวิธีของนักสู้ที่ไม่ประมาทเราเสี่ยงตายไปตามระพินครั้งนี้ฉันว่าไม่ใช่เสี่ยงเพราะการที่ต้องลำบากยากเย็นหรือเพศภัยในป่าหรอกแต่เสี่ยงกับการที่อาจต้องประท่ากับพวกนั้นสียมากกว่ามันก็เหมือนกับว่าเราไปแย่งตัวระพินคืนมาหรือไปรู้ความลับที่ไม่ต้องการเปิดเผยของเขาหญิงสาวไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นนั่งเฉย สำหรับเครื่องมือสื่อสารติดต่อใ น, ในกรณีที่แต่ละคนอาจต้องแยกหมู่หรือพลัดพรากจากกันไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามในเมื่อรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าฝ่ายอเมริกันมตีตระเตรียมไปพร้อมเชิฐาและชายยันก็ไม่ยอมเสียเปรียบและมองเห็นประโยชน์ของมันอย่างยิ่งจากประสบการณ์ที่เคยเผชิญมาแล้วในยามหลงป่าป่าพลัดกันดังนั้นวิทยุรับส่งแบบมือถือขนาดกระดัดรัดที่สุดเท่าที่จะสแสวงหาได้อย่างรีบด่วนจำนวน5เครื่อง จึงถูกเตรียมไปด้วย ร, รับส่งกําหนดไว้เป็นพิเศษที่จะไม่ไปเข้าขายใดใดของใครทั้งสิ้นนอกจากใช้กันเองในระหว่างห้าเครื่องที่ตระเตรียมมาโดยเฉพาะกําลังเครื่องละห้าวัตขนาดพอที่จะร้อยสายเข็มขัดติดเอวหรือสายเป้หลังไปได้โดยไม่เกะกะเป็นภาระมีแบตเตอรี่แห้งอะไรเตรียมไปด้วยเพียงแต่ว่าเป็นวิทยุมือถือรับส่งธรรมดาซึ่งจะต้องกดขีพลาดเปลี่ยนกันพูดโต้ตอบเท่านั้นไม่พิเศษจนถึงขนาดที่จะใช้ได้แบบวิทยุโทรศัพท์ สี่เครื่องจะแจกประจำติดตัวไว้ในแต่ละคนอีกหนึ่งเครื่องสำรองพิเศษไว้เพื่ออาจพิจารณามอบให้หัวหน้าลูกค่ะหรือบุคคลใดาตามความเหมาะสมในการประสานงานได้อย่างสะดวกฉับพลันระวังเกิดเหตุฉุกเฉินดารินหยิบขึ้นมาพิจารณาดูเครื่องหนึ่งและพึมพำว่าในคราวที่ไปตามพี่กลางครั้งนั้นถ้าเรามีวิทยุติดต่อแบบนี้ไปด้วยก็จะสะดวกขึ้นอีกมากเรานึกไม่ถึงเลยทั้งๆที่ททหาได้ก็คงหาได้สมัยนั้นฉันเห็นระพิน กับแง่สายต้องใช้รหัสติดต่อกันด้วยแสงสะท้อนจากดวงตะวันหรือไปฉายกระพริบในระยะไกลโดยใช้รหัสมอสทุเรย่างแต่ก็ยังโชคดีทั้งที่แง่สายและพินไดะเธอเองวุ่นผ่านงานในด้านสื่อสารทางทหารมาแล้วท่านั้นไม่งั้นคงยุ่งถึงว่าสีบอกแล้วยังไงว่างโง่ต้องมาก่อนฉละดและเราจะฉลาดไวทันขึ้นไม่ได้ในคราวนี้ก็เพราะคุณอําพลเป็นสปายบอกความลับให้เรารู้ล่วงหน้าวะ่ะปลายตรงข้าม ที่มาฉกตัวระพินไปนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็เลยไม่เสียเปรียบเราไปคราวนี้ไม่ใช่นักเดินป่าธรรมดาเหมือนครั้งนั้นนะจะไปในลักษณะของทางหารป่าได้หน่วยคอมมานโดพร้อมที่จะจู่โจมได้ทุกขณะขอให้เธอรับรู้ร่วงหน้าด้วยวิทยุของเราช่างหาเครื่องนี้ก็เหมือนกันเราติดตั้งแร่รับส่งแยกความถี่คลื่นเผื่อไว้อีกสี่ช่องเพื่อหวังว่าปะหมอวิทยุพวกนั้นใช้อยู่เกิดฟลุกมาตรงกับขนาดความถี่คลื่นใดคลื่นหนึ่งที่เราทําดักไว้ก่อนก็จะสบายมาก ฉันหมายถึงวิทยุแบบมือถือไม่ได้หมายถึงวิทยุเครื่องใหญ่ที่พวกนั้นใช้ติดต่อกับหอควบคุมการเดินทางชั้นสันนิษฐานว่าเป็นสถานีลอยกลางอากาศหรือบนดาวเทียมหรอกเพราะคลื่นความถี่ของวิทยุแบบนั้นมันคงจะเกินสมรรถภาพของวิทยุสังกะบยของเรานี่เอามาด้วยดารินทดลองเปิดสวิตช์กดขี่เล่นอย่างไม่มีความหมายอะไรแล้วถามว่าวิทยุยัยงของเด็กเล่นที่จะออุซาเตรียมาด้วยนี่รัศมีรับส่งมันไกลสัแค่ไหน ในพื้นที่ลาบโร่งอากาศดีๆมันก็ไกลเหมือนกันเราแวก 5-6 กิโลเมตรสบายมากระหว่างเครื่องต่อเครื่องแต่ถ้าภูเขาบังมากอากาศไม่อันวยก็เข้าบริเวณหรือเข้าบริเวณที่อับเครื่องวิทยุมันจะหดระยะสั้นเข้ามาตามส่วนถึงยังไงมันก็ยังดีกว่าใช้กู่ตะโกนเรียกกันหรือต้องเอาใบามีดส่องกับแสงตะวันส่งสัญญาณกันเหมือนสมัยที่รพินเคยใช้กับแง่สายตั้งร้อยเท่าเครื่องมือทางแพทย์ของเธอแน่ใจไม่ว่าสมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุด ในส่วนที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของฉันรับรองได้รอนบอกเบาๆเนื่อยๆดูเธอไม่กระฉับกระเฉงเลยลยอยๆยังไงพี่กนไปนอนพักจเจิเถิดปะทางนี้ฉันกับพวกจัดการเองกินยานอนหลับหรือยาระงับประสาทเสียเอาแรงไว้เดินทางพรุ่งนี้เราอาจออกสายหน่อยก็ได้ชา ย, ยันบอกอย่างหวังดีดารินยังไม่ขยับตัวเพียงแต่เอามือดึงคอเสื้อคลุมให้แนบชิดเข้ามาเพราะความหนาวเย็นของอากาศกลางดึกแล้วถามว่า นั่นเวลาเท่าไหร่แล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่สะบัดข้อมือดูห้าทุ่มกับยี่สิบห้านาทีฉันไม่ได้หลับเลยนะตั้งแต่เข้าไปในห้องเมื่อหัวค่ํานี่หลังอาหารเมื่อคืนนี้แล้วก็เหมือวันก่นไม่ได้หลับเลยสักนิบดารินพูดแถวใช้นิ้วมือทั้งสองข้างกดแตะไว้ที่เปลือกตาชา ย, ยันมองดูอย่างสงสารเข้ามาโอบไหลก่กอดไว้สกดจิตสกดใจไว้ซิบบ้างเถอะน้อยเชื่อฉันเข้าไปนอนเสียฉันนอนไม่หลับหรอก เพราะหลับตาทีไรฉันเห็นเขาในสภาพที่กําลังนอนเจ็บป่วยตัวสั่นเทาอยู่กลางป่าเพียงเดียวดายทุกครั้งไปแล้วองอื่นฉันไม่ห่วงเขาเลยวงตอนเจ็บใครได้ป่วยเท่านั้นใครจะดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเขาได้ลูกน้องของเขาทั้งสี่คนนั่นน่นเลยอย่างดีก็แค่นั่งล้อมวงกระพริบตาปลิบ ป, ปริบดูเจ้านายนอนคลางฮือๆไปอย่างเดียวเท่านั้นเชื่อฮถอะะว่าไม่เป็นไรหรอกถึงแม้จะเกิดอาการไข้ขึ้นมา หรือที่อเมริกันพวกนั้นจะดูดายเขาในเมื่อก็หวังประโยชน์จากเขาอยู่เต็มที่แม่มสองคนนั้นก็มีคนหนึ่งเป็นแพทย์อยู่ด้วยแต่ะพินไม่ได้เป็นโคตรญาติกับแม่ผมแดงหรือแม่ผมทองนั่นนะเขาก็แค่ลูกจ้างนำทางธรรมดาเท่านั้นพวกนั้นจะมีน้ำใจกับเขาได้สักแค่ไหนฉันรู้อาการละพินดีเวลาจับสั่นขึ้นมาเขาเป็นคนที่น่าสังเวชที่สุดเธอ พี่ใหญ่พี่กลางหรือใครๆก็ไม่เคยเห็นเขาในสภาพนั้นหรอกแต่ฉันเห็นมาแล้วหลายครั้งเฮอชัยยันร้องออกมาดังๆจนกระทั่งเชษฐาอุชาในอัมพลและคนอื่นๆที่กำลังจับกลุ่มกันอยู่ทางหนึ่งหันมามองเป็นตาเดียวนุชาถามมาว่าอะไรชัยยนันชัยยันขยับปากแต่แล้วก็บกมือกรบเกลื่อนเลี่ยงไปเซีย ว, ว่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกของมันยุ่งไปหมดไม่รู้จะจัดยังไงถูกแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็คงเข้าที่เองปรึกษาหารือกันให้ดีกันแล้วกันสำหรับฝ่ายมักคุเทศผู้วางแผนทั้งหลายนะ กับน้อยจะรับเป็นฝ่ายสัมภาระเองพวกนั้นละความสนใจหันไปพูดกันในหมู่ตามเดิมชา ย, ยันจึงเหลือบตามองหน้าแล้วกระซิบต่ตําๆรำพึงรำพันเชเนละเกินแม่เจ้าประคุณเอ้ยนี่เธอฉันเป็นผู้วิเศษพอที่จะไปแบกนายละพินของเธอมาให้ได้แล้วก็ฉันจะรีบเพาะไปแบกมาให้ทีเดียวถ้าเธอทําได้อย่างนั้นฉันมีสมบัติพระสถานอะไรอยู่บ้างจะขอยกให้จนหมดตัวเลยึหเห็นใจ ฉันและพี่ชายของเธอทั้งสองคนก็ช่วยกันอย่างสุดฤทธิ์แล้วอย่างที่เห็นอยู่นี่จะให้ทําอะไรได้มากกว่านี้อีกล่ะชัยยันเฮือเธอว่าป่านนี้เวลาเดี๋ยวนี้ละพินอยู่ที่ไหนและอยู่ในภาวะใดอาจกําลังนอนกอดแม่ผมแดงหรือแม่ผมทองอยู่ใต้ล้มไม้บางใบที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเธออีกเลยก็ได้ชัยยันพโล่องออกมาเพราะชะกาคาญเต็มที เขาจะนอนกอดใครในระหว่างสองคนนั่นไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าเขาอบอุ่นและปลอดภัยเท่านั้นนี่คือความรู้สึกจากใจจริงของฉันดารินพูดเบาก็จริงแต่แช่มช้าและชัดเจนที่สุดแล้วก็ลุกขึ้นยืนช้าๆเดินปรีกตัวกลับเข้าในห้องเงียบๆโดยไม่กล่าวคำใดกับใครอีกครั้งสิน้นเสียงชยันตะโกนตามหลังมาว่าอย่าลืมยานอนหลับน้อยไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่มีแรงเดินนะ่าจะบอกให้ ราชสกุลสาวไม่แสดงอาการยินยนต่อเสียงนั้นไม่แม้แต่จะเหลี้ยวกลับมาพอพ้นธรณีประตูก็ปิดประตูเสียตามมองไปยังไร่ฟื่อคู่ชีประจํามือในอดีต ท, ที่หล่อนยังวางทิ้งไว้บนเตียงเอื้อมือไปลูบคลําแผวเบาเนื้อเหล็กของมันที่สัมผัสกับมือของหล่อนเย็นเยียบดาเรนค่อยๆหยิบมันขึ้นมากอดแนบไว้กับอกแล้วเดินไปเปิดตู้ปลายท่าของเตียงอีกครั้งตั้งใจจะเก็บมันไว้ที่เดิมก่อนจนกว่าจะพรุ่งนี้พลันตาก็เหลือบลงไปยังพื้นตู้ด้านล่าง หินกล่องกระสุนเก่าๆมีรอยเปิดแล้วกล่องนึงวางเป็นที่สะดุดตาจึงก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่ามันเป็นกล่องกระสุนขนาด300 Weatherby Magnum ที่ใช้กับปืนของหล่อนนั่นเองเหลือกระสุนเสียบอยู่ในร่องกระดาษของกล่องเจ็ดแปดนัดจึงหยิบขึ้นมานัดหนึ่งโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกหรือเข้าใจว่ากำลังทำอะไรเดาะในมือช้าๆแล้วเปิดลูกเลื่อนขึ้นบรรจงสอดกระสุนนั้นเข้าไปในลังเพลิงปิดลูกเลื่อนเข้าที่ตบก้าลูกเลื่อนลง เดินมาหยุดอยู่ที่หน้าต่างของห้องมองฝั่งเงามืดของแมกไม้พงไพรที่แวดล้อมสถานที่ออกไปอย่างปราศจากจุดหมายลมป่ากลางดึกพัดเส้ น, สนผมหล่อนปลิวเป็นละลอกแกละกระทบผิวหน้าจนหนาวสถานหล่อนยืนถือไรเฟิลเอมองอย่างไร้จุดหมายออกไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้จากสุประสาทก็เริ่มจะทำผิดหลอนเห็นเงาตะคุ่มลักษณะประหลาดสันฐานเหมือนมนุษย์แต่สูงใหญ่ผิดปกติ เคลื่อนไหวช้าๆด้วยอาการเหมือนจะโบกมือเรียกมาทางหลอนตรงบริเวณลานดินเบื้องล่างที่ขาออกไปประมาณ25เมตรคว้าไฟฉายที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆขึ้นมาซองปราดออกไปก็ปรากฏว่ามันเป็นต้นไม้ตายซกที่ยืนแดงแห้งโกรอนเหมือนเสาหลักซึ่งชาวบ้านปล่อยทิ้งไว้สําหรับให้ต้นฟักข้าวขึ้นพาดพันพอดับไฟมืดหลหลอนก็เห็นสันฐานเป็นรูปร่างวิคนวิการอีกโอนเอ็นไหวโยกอยู่ไปมาและกวักมือเรียกอยู่เช่นนั้นฉายไฟก็หายไ ป, ไปอีกสลับกันอยู่เช่นนี้สามสีครั้ง ปัดดลในโสดหรือทางจิตสัมผัสก็ไม่ทราบได้หลอนแววเสียงกระซิบผู้กองกําลังตกอยู่ในห่วงภายในยหญิงไพ่เหมือนลักษณะที่นายหญิงเห็นอยู่ขณะนี้แหละรูปนั่นเอง ท, ทันทายไรเฟิลก็ขึ้นประทับไหลหลอนวาดปากระบอกปืนไปยังเงาที่เห็นอยู่ในความมืดแล้วเหนียวไกลทันทีเสียงตูมสนันวันไหวปานวันหานผาทั้งแถบจะทลายลงคลื่นความสะเทือนกัมปนาตของไรเฟิลกระทบกับเปลือกหินในทำเละสะท้อนเข้ามากล้องอยู่ในโสดของระพินไพรวันเขาก็สะดุ้งพรวดขึ้นทั้งตัว ง, งบกายขึ้น ริสตินาที่นอนซบปหลหลับอยู่กับไหลผัววาหลุดจากอ้อมก่อนพลิ้งตะแคงไปทางนึงเข็มน้ำเกลือที่จิ้มจิดอยู่กับแขนหลุดออกทันทีเพราะการดึงกายขึ้นอย่างรวดพราดของเขาแังวานของกระสุนระเบิดยังไม่ทันสิ้นไปก็แววเสียงตะโกนเออโวยวายฟังไม่ได้ศับของใครที่เฝ้ายามอยู่หน้าถ้ำ